ภาวนานะมาถึงวันนี้มันไม่ใช่เรื่องยากต่อไปแล้วละ่ะมันยากมาแล้วจุดที่ยากที่สุดเลยก็คือทำไงใจเราจะตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่ค่อยยากแล้วเริ่มง่ายถ้าหัดแยก้าแยกขันไปไปแยก้าแยกขันไปแล้วมีปัญหาอีกอันหนึ่งไปจ้องขันไว้เฉย แยงรูปนามได้ไปจ้องอยู่เฉยๆไม่ดูดไตรลักษณ์ก็มีเป็นสเต็ปสเต็ไปตรงที่เราจะเจริญปัญญาได้จริงเราต้องเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามบางคนเห็นรูปนามเฉยๆเห็นเห็นร่างกายมันหายใจเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจมันดูแล้วมันเฉยอยู่อย่างนั้นทีก็ดูจิตนะพอไปติดในว่าง สบายรู้ตัวอยู่เฉยๆบางทีพวกเราฟังหลวงพ่อสอนบางคนก็เคลื่อนเคลื่อนไปคลัดเคลื่อนยิง่งของหลวงพ่อสอนให้รู้ตัวอยู่เฉยๆไม่ใช่หรอกรู้ตัวเฉยๆมันติดสมถะสมถะนี่มีให้ติดนาน า, นานชนิดเลยรู้สึกตัวขึ้นมาแยกขันแยกขันแล้วแยกอยู่เฉยๆอีกก็ไม่ได้ ต้องเห็นขันแสดงไตรลักถ้าแยกออกมาแล้วแยกขันได้แล้วขันไม่แสดงใจลักจะทำยังไงก็ต้องพิจรารณาเหมือนที่ครูบาอาจารย์วัดป่าท่านทำสมาธิ ท, าทำสมาธิเสร็จแล้วก็หัดแยกขั น, นพิจรารณาใจลักษนะกระตุ้นให้จิตมันเดินปัญญาไปพวกเราตอนนี้มันพ้นจุดลำบากมาแล้ว คนในโลกมีตั้งไม่รู้กี่พันล้านนะแต่คนที่รู้สึกตัวเป็นมีนิดเดียวกระทั่งพวกที่เข้าวัดภาวนาเนะี่ไม่ได้รู้สึกตัวส่วนใหญ่เขาไปทําจิตให้สงบนิ่งๆอยู่นั่งสมาธิกันคิดว่าสมาธิทําจิตให้นิ่งแล้ววันหนึ่งบรรลุมรรคผลนิพพานควเรเรื่องกันเลยเรื่องของสมาธิมันเป็นอุบาย ให้จิตสงบให้จิตมีเรื่องมีแรงเรื่องการเจริญปัญญาเป็นอุบายสอนจิตให้ฉลาดคนละเรื่องกันคนละงานกันการเรียนธรร ม, มะนะค่อยๆเรียนหลวงพว่อค่อยๆพาพวกเราขยบขยบมาทีละขั้นทีละขั้นแต่เดิมมีแต่วพวกติดสมาธิสมาธิที่ติดเนะี่ยมิจฉาสมาธิทั้งนั้นเลย ไม่ใช่สมาธิมิจชาสมาธิคือสมาธิที่ไม่ประกอบด้วยสตินั่งเราก็เคลิมเคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวหรือไม่เราก็นั่งเคลียดเครียดถ้าไม่เคลียดก็เคลิมถ้านั่งเคลียดเครียดเนี่ยจิตมีโทสะนั่งเคลิมเคลิมจิตมีโมหะบางทีนั่งเราเยิ้มเยิมหยาดเยิมยเย้มใจนะมีความสุขนะโอยอิ่มเหมือนคนติดยาไอ้นี่มีโลภะ นั่งสมาธิแล้วกิเลแสแทกเนนั่งกี่ชาติมันก็ไม่ได้อะไรหรอกเพรานั่งจมกิเลสอยู่งั้นตายก็ตายจมกิเลสไปงั้น mm hmm. กระทั่งไปเปนลนพรนมยังเป็นไม่ได้เลยเมื่อใจไม่ได้สงบไม่ได้ทรงสารจริงเงินนยุคแรกๆที่หลวงพ่อสอนนะ mm hmm. บางคนนะหลวงพ่อบอกเลิกทําสมาธิไปทําไมให้เลิกทามันทําวิจาสมาธิแต่อย่างพวกเราเนี้ยภาวนามาถึงวันนี้นะเราแยกธาตุแยกขันได้ จำนวนมากที่เห็นธาตุขานแสดงใจรักได้ถึงเวลาที่เราจะต้องฝึกสมาธิกันบ้างแล้วละถ้าไม่มีสมาธิเลยใจไม่มีแรงไม่มีกาลังเพราะสมาธิก็เป็นพลังอันหนึ่งเป็นพละอันหนึ่งพละหอย่างมีศรัทธามีวิริยะสติสมาธิปัญญาอย่างศรัทธานี่พวกเรามีศรัทธามากขึ้นมากขึ้นเพราะเรา ฟังหลวงพ่อสอนให้นะเราไปภาวนาจิตใจเราดีขึ้นมันเห็นมันไม่ใช่ว่าทําทําไปเถอะอีกชาติหน้าเราจะดีเนี่ยมันดีต่อหน้าต่อตานี่แหละดีชาตินี้แหละดีเดี๋ยวนี้แหละอย่ันนี้ศรัทธามันก็มากขึ้นมากขึ้นรู้ว่าพุทธเจ้ามีอะไรได้นอนคําสอนของท่านไม่ใช่ว่างเปล่าไม่ใช่ปรัชญาเลื่อนลอยถ้าเราลงมือทําเราก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองได้ยิง่งศรัทธาเราก็เพิ่มขึ้น พอศรัทธาเราเพิ่มขึ้นนะวิริยะขอาเราก็เพิ่มขึ้นก็ขยันภาวนามากขึ้นเมื่อก่อนขี้เกียจต้องถูกครูบาอาจารย์บังคับให้ภาวนาถ้าเจอหน้าก็ถ้ารีบปั่นกันบ้านเดี๋ยวนี้พวกเราไม่ค่อยปั่นกันบ้านสังเกตไหมพวกนักปั่นกันบ้านเนี่ยมีน้อยลงเนี่ยนึกว่าไม่รู้นะเราพ่อสมัยก่อนนะก็ภาวนาทุกวันไม่เลิกนะแต่บางช่วงเนี่ยมันไม่มีอะไรจะส่งกันบ้าน ถ้ามันถึงเวลาต้องไปหาครูบาอาจารย์นั่งรถตัวนั่งรถไฟไปก็ปั่นกันบ้านเหมือนกันนะจะเอาอะไรดีจะเอาอะไรดีหาอไม่ได้หาไม่ได้ไไดแต่พอเข้าใกล้ท่านกันบ้านมันมาเองเลยรู้รลยจริงๆไม่ต้องปั่นหรอกถ้าภาวนาแต่ถ้าไม่ภาวนานปั่นยังไงท่านก็รู้ทำไมท่านจะไม่รู้ท่านผ่านมาแล้วนี่พอเราเห็นว่าเราลงมือปฏิบัติแล้วชีวิตเราดีขึ้น เราก็ขยันมากขึ้นมันเต็มใจจะปฏิบัติเงินเบื้องต้นหนะลวงพ่อถึงห ล, ลอกล่อาสารภาพเลยว่าหลอกล่อวันหนึ่งให้ทำสิบห้านาทีทําไมให้ทําน้อยน้อยนะบางคนรู้สึกหลวงพ่อประมวทสอนอะไรทําไมมักน้อยนะมักน้อยในความดีถือว่าเร็วนะมักน้อยในความดีถือว่าเร็วทําไมสอนให้มักน้อยขนาดนั้นวันหนึ่งทำสิบห้านาทีเป็นอูบายของหลวงพ่อหรอกจะหลอกให้พวกเราพอนะ พอเราภาวนาแล้วเรารู้ความจริงนะเราเห็นเลใจเราเคยทุกข์มากก็ทุกข์น้อยเคยทุกข์นานก็ทุกข์สั้นลงสั้นลงใจเคยมืดเคยบอด ก, ก็สว่างสวัยขึ้นมาเนื้อศรัทธามันเพิ่มก็ขยันภาวนามากขึ้นบางคนภาวนามากไปนะถึงขนาดต้องบอกว่าช่วงนี้เพลาๆไปทําสมถะบ้างะจะเจริญสติจเจริญปัญญารวดไปเลยก็เหนื่อย เนี่เป็นเรื่องของพละห้าอย่างกําลังหอย่างนี่ยมีศรัทธามีวิริยะมีสติสติก็เป็นสิ่งที่หลวงพ่อจําจีจําไฉพวกเรามากเรื่องสตนะิฝึกให้รู้สึกตัวฝึกให้รู้สึกตัวช่วงแรกๆสอนพักพวกกันสอนที่นี่แหละสอนตอนที่ครูบาอาจารย์ท่านตักข้าวตอนสมัยหลวงปู่เลี้ยนหลวงปู่อะไอยู่เนี่ย คนก็ามาเยอะมาทำบุญนะคนภาวนามีไม่มากอ่ะแล้วหลวงปู่ท่านรู้หลวงปู่เรียนนะเวลาเทศเทศครึ่งชั่วโมงไม่เทศมากกว่านั้น่ะเดี๋ยวโยมกลุ้มใจเ น, นี่ยความเมตตาของท่านนี่ช่วงที่ท่านตักอาหารเนี่ยจะยาวแล้วก็ตอนที่ท่านฉันเนี่ยในอีกช่วงหนึ่งช่วงเนี้ยหลวงพ่อก็กคอยแนะนำคนน้นเวียนมาถามคนนี้เวียนมาถาม ทีแรกกรรมาการสาราลูชินเขาข้องอ ง, องนะว่านี้มันกวนอะไรเนี่ยนะไม่ใช่กวนอะไรหรอกเรากวนเฉยๆนี่แหละเราจะมาฟังเทศคนอื่นมากวนใจเราเองเราไม่ได้เชิญให้มาถามนะมาถามกันเองสิ่งแรกๆที่สอนเนี่ยสอนมันเผลอไปแล้วรู้สึกไหมมันเผลอแล้วรู้สึกไหมมันฟุ้งซ่านแล้วรู้สึกไหมมันโลภแล้วรู้สึกไหมมันอยากเรียบปฏิบัติมันโลภ มันเครียดขึ้นมาแล้วรู้สึกไหมนะเนี่ยหลวงพ่อจะถามแบบนี้เรื่อยๆเลยคนก็งงอีตาคนนี้มันสอนอะไรของมันนะสอนให้มีสติสติเกิดจากการที่จิตจําสภาวะได้แม่นงั้นหลวงพ่อก็สังเกตเอาคนนี้นหน้าตาขี้โมโหโง่เฮงให้มันพูดอะไรกับมันนิดหนึ่งก็โมโหไปหมดอะนะพูดด้วยก็โมโหไม่พูดด้วยก็โมโหนะพวกขี้โมโหเนี่ย พอมโมโหใจมันเง่วนเย็นแล้วก็ถามโมโหแล้วรู้สึกไหมเนี่ยเขาจะได้หัดรู้สภาวะคนขี้โลภอยากปฏิบัติเนี่ยโคโลบนะอยากขึ้นมาปุ๊บรู้ทันต่อไปก็รู้จําสภาวะของความอยากได้ประจําสภาวะความอยากได้ต่อไปความอยากเกิดสติเกิดเองจําสภาวะของความโกรธได้พอความโกรธเกิดขึ้นสติก็โกรธเกิดขึ้นเอง ให้หัดให้ดูสภาวะใจลอยรู้จักไหมใจลอยใจลอยใจลอยเป็นสภาวะของโมหะคือใจมันฟุ้งซ่านมีอุทัจจักฟุ้งซ่านเป็นนีไปพอเราหัดรู้จักโอ้ใจลอยแล้วรู้สึกใจลอยแล้วรู้สึกต่อไปจิตมันจำสภาวะที่ใจลอยได้พอใจลอยปุ๊บมัรู้สึกเองเลยรู้สึกนี่การที่เราหัดรู้สภาวะเนืองเนืองนี่มันทำให้สติ อัตโนมัติเกิดขึ้นนี่เราก็ต้องฝึกของเราไปเรื่อยหัดรู้สภาวะทุกวันต้องฝึกไม่ใช่ว่ารู้แล้วก็เก่งแล้วนะถ้าไม่ฝึกไม่ซ้อมมันก็เสื่อมเหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่าศรัทธาของเราก็ศรัทธาของผูทุชนวิริยะของเราก็วิริยะของผู้ทุชนสติก็สติผู้ทุชนสมาธิปัญญาก็ของผู้ทุชนทั้งหมดเลยเป็นของที่แปลปลวนเอาไน้เอา น, อ, านอนไม่ได้ต้องซ้อม เมื่อก่อนมันมีเพลงอ่อนซ้อมเนะเพลงอ่อนซ้อมฟังแล้วเ อ, อเข้าท่าว่ะแต่ถัามัน อ, อนอ่อนซ้อมจีบสาวนะก็ไม่ชำนาญเพราะเราอ่อนซ้อมดูสภาวะสติมันก็ไม่เกิดเนี่ยยุคแรกๆที่หลวงพ่อพาพวกเรานะดูไปตรเนี้มีสติฝึกสติให้มากเลยทัดจากนั้นก็ฝึกสมาธิสมาธิ มันต้องแยกให้ออกว่าอะไรเป็นสมาสมาธิอะไรเป็นมิจฉาสมาธิมิจฉาสมาธิต้องเลิกเลยไม่ต้องฝึกเลิกไปเลยมิจฉาสมาธิคือสมาธิที่จิตใจมันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจมันไ ม, ไม่ไม่สงบจริงนะไม่ตั้งมั่นจริงจิตใจมีโมหะนะมีความฟุง้งซ่านมีกิเลแสแทรกเนะีนะ่ยกิเลแสแทรกเข้ามาทีไรนะสมาธิอันนั้นไม่ใช่สมาธิที่ดแีแล้วสมาธิเนี่ยเป็นของที่แปลกยาง สมาธิไม่เหมือนสติไม่เหมือนปัญญานะถ้าสติปัญญาเนี่ยเกิดกับจิตที่เป็นกุศลอย่างเดียวแต่สมาธิน่ะจิตอกุศลก็มีสมาธิได้งั้นสมาธิบางอย่างนะแล้วส่วนใหญ่ที่ฝึกกันนะมันคือมิจฉาสมาธินะอย่างฝึกขยับมือนะแล้วก็พิเพ่งอยู่ที่มือจิตเพ่งมือนิ่งอยู่เฉยๆไม่ให้จิตคิดนะั่นนี่บังคับจิตนะแทรกแซงจิตทําไปด้วยโลภะอยากดีมองไม่เห็นว่าโลภะนะ คิดว่าแหมขยันภาวนาวันหนึ่งั้องสิบชั่วโมงนั่งขยับมือซะ ก, กล้ามขึ้นเลยนะี่หรือเดินจงกรมซะนอ้องโป่งเลยนะคิดว่าวิริยะมาก ไ, มได้ปฏิบัติมากจริงๆไม่ใช่ทําไปด้วยโลภะทําไปแล้วพอไม่สงบก็โมโหโทรศัพเข้ามาไม่เห็นอีกทำแล้วเครียดเครีย ด, เ ค, ยดเครียดไปเรื่อยเครียดจัดใจก็สติแตกสังเกตดูคนที่เรียนกับหลวงพ่อไม่ไม่มีนะสติแตกมีแต่แตกมาก่อนแล้วจะมาเรียนให้หายไม่หายหรอก ถ้าแตกแล้วก็แตกเลยแตกแล้วกแก้ยากนีก็ต้องไปหาหมอบางทีหมอรักษานานๆหมอจะสติแตกไปด้วยนะบางคนรักษายากนั้นเรียนเราเรียนให้มันรู้เรื่องเรียนให้มันถูกก่อนไปทําวิจฉาสมาธิสมา ธ, มาธิต้องประกอบด้วยสติขาดสติไม่ได้ตอนหลวงพ่อเด็กๆ เ, เรียนกับท่านพ่อรีท่านพ่อรีเป็นพระดีนะแต่ตอนที่หลวงพ่อไปเรียนกับท่านหลวงพ่อเด็กมากใน7เจ็ขวบเอง แล้วอยู่ได้สองปีท่านก็สิ้นประมาณสองปีไปหาท่านได้แม่กี่ครั้งอ่ะมันอยู่ที่ผู้ใหญ่เขาจะพาไปหรือเปล่าแต่ท่านชอบเด็กนยะถ้าเด็กเด็กไปบาทีเอานั่งตักนะเราก็ชอบนะเราก็ปลื้มใจว่าท่านรักอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่รักเราคนเดียวเราเด็กไหนไปท่านก็อุ้มทั้งนั้นว่านะรูปรูปนั่งตักนนะเด็กผู้ชายนะเด็กผู้หญิงไม่เกี่ยวอยากไปเกิดเป็นผู้หญิงเองนะ เนี่ยท่านสอนหายใจหายใจข้าพูดหายใจออกโทรเรารักท่านอ่ะท่านสอนเราก็ทำสิน ะ, นะท่านเมตตาแต่ว่าเราอยู่ห่างนี้พอหายใจข้าพูดหายใจออกโทไปเรื่อยๆใจมันเคริมออกไปใจมันเคลื่อนออกไปไม่รู้เลยว่าใจเคลื่อนออกไปรู้ไปเห็นข้างนอกนะไปเที่ยวสวรรค์เที่ยวอะไรไปดูโน่นดูนี่จิตมันหลอนอนะ เอกเห็นนะเห็นจริงๆนะแต่สิ่งที่ถูกเห็นนะอาจจะไม่จริงก็ได้เชื่ออะไรไม่ได้หรอกสิ่งที่รู้ด้วยสมาธิพวกนั้นนะสิ่งที่เรามองเห็นด้วยตาบางทียังตาฝาดเลยเห็นไหมสิ่งที่ไปนั่งสมาธิแล้วโมหะแทรกนี่เก่บไปเชื่อเลยเชื่อไม่ได้ไม่เชื่อเนี่ยตนเด็กๆใจมันก็เคลื่อนออกไปต่อมามันเคลื่อนบ่อยๆนะวันหนึ่งนึกขึ้นได้ว่าถ้าออกไปเจอเทวดาเนี่ยดีชอบ ถ้าไปเจอผีเนี่ยจะทําไงหลวงพ่อเป็นคนกลัวผีนะกลัวแบบดูเดือดเลือดพล่านเลยกลัวผีเนี่ยลูกแมวในบ้านตายเนี่ยกลางคืนจะไม่กล้านอนหลับกลัวแมวมาเข้าฝันนู้ดีกลัวขนาดนั้นนะ่ะสุดท้ายก็หลับนะพยายามฝืนนะพยายามฝืนแป๊บเดียวก็หลับเหมือนเด็กๆอะ่ะนี่กลัวผีทําไงเรารู้อย่างหนึ่งนะว่าออกไปเห็นเนี่ยพระจิตมันเคลื่อนออกไปเพนั้นต่อไปนี้จะไม่ให้จิตเคลื่อนไม่ให้จิตออกจากร่างกายไป จะมันเคลื่อนอยู่ข้างในไหมว่านะเนี่ยพอหายใจเท่าพูดหายใจโทรพอใจเริ่มเคลิ้มัมนจะเริ่มไหลจะไหลพอเริ่มไหลเรารู้สึกปุ๊บหายใจแรงขึ้นเพิ่มสติขึ้นสติอ่อนไปแล้วสมาธิล้ําหน้ามันก็เลยไหลออกไปนะตอนเด็กๆพูดไม่เป็นหรอกแต่ว่ารู้ว่าต้องทําอย่างนี้แหละกระตุ้นความรู้สึกตัวให้แรงขึ้นมาหน่อยแล้วมันไม่ไหลรู้อย่างนี้ไม่รู้บอกว่าพอสติมันแรงขึ้นนะกำลังสมาธิที่ครอบงํามันอ่อนลง ใจมันก็ตั้งมันขึ้นมาเงั้นทําสมาธินะทิ้งสติไม่ได้สติจําเป็นมากเห็นไหมท่านเลยมีศรัทธาใช่ไหมมีวิริยะมีสติแล้วถึงจะไปสมาธินะไม่ใช่มีสมาธิแล้วมีสติให้มีสติก่อนแลค่อยมีสมาธิทีหลังฝึกสติให้ชํานาญแล้วถึงจะทาสมาธิได้ถูกในบางคนข้ากับหัวกับหางบางคนกลับมากไปเลยกลับไปถึงเจริญปัญญาก่อนเลยนะเองอ่กคิดลูกเดียวเลยใจไม่มีสมาธิ ใจไม่แม้สมาธิคิดอย่างเดียวก็คือฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านไม่เกิดธรรมะอะไรหรอกได้แต่ความหลงตัวเองว่ากูเก่งกูฉลาดกูรู้เยอะเนี่ยภานาแล้วก็เกิดหลงผิดไปงั้นเรามาพัฒนาพลังพลังทั้ง5้าเนี่ยนะค่อยๆพัฒนาขึ้นไปเรามีศรัทธามากขึ้นมากขึ้นเพราะเราเห็นจริงตามที่พระพุทธเจ้าสอนเรามีความเพียรมากขึ้นมากขึ้ น, นเพราะเราเห็นประโยชน์ของการมีความเพียร เรามีสติมากขึ้นมากขึ้นเพราะเราหัดรู้สภาวะไม่เลิกซ้อมทุกวันต้องหัดรู้สภาวะนะถ้าสังเกตให้ดีในมหาสติปัฏฐานเนะี่ยในสติปัฏฐานศูตรเนี่ยจะขึ้นต้นด้วยว่าให้มีเครื่องอยู่ของจิตให้มีเครื่องอยู่ให้มีวิหารธรรมมีวิหารธรรมแล้วมีสติระลึกอยู่ในวิหารธรรมเนะตัวนั้ น, นทำให้สติเกิดเร็วเนะพาะเราอยู่กับลมหายใจหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัว ยืนเดินนั่งนอนรู้สึกตัวเป็นสุขเป็นทุกข์รู้สึกตัวอะไรเนี่ยโอบขึ้นมาก็รู้ไม่ โ, บโลบ ก, ก็รู้โกรธก็รู้ไม่ไม่โกรก็รู้หัดรู้อย่างนี้เรื่อยๆนะต่อไปพอมันหายใจขึ้นมานะมันก็รู้สึกตัวเพราะมันเคยหายใจเรารู้สึกตัวหรือขยับตัวเรารู is, ้สึกตัวเพราะวมันเคยฝึกว่าขยับเรารู้สึกตัวนะหรือมีความสุขแล้วรู้สึกตัวเราเคยดูเวลาสุขขึ้นมาเรารู้รู้รล้วมัจะรู้ขึ้นมาเองนั่นจะได้สติ ข, ขึ้นมา ต้องฝึกต้องซ้อมให้มากๆากรูนะสติเราชำนี้ชํานาญแล้วเรามาฝึกสมาธิให้ดีสมาธิต้องฝึกนะต้องฝึกแต่ฝึกให้มันมีสติขาสติแล้วเป็นมิจฉาสมาธิวิธีฝึกก็ต้องรู้ว่าสมาธิที่ถูกมี2 อ, อย่าง 1. สมาธิที่เป็นไปเพื่อความสงบระ ง, งับของจิตทําให้จิตได้พักผ่อนจิตได้พักผ่อนแล้วจิตมีเรี่ยวมีแรงนะจิตกับร่างกายกลับข้างกันร่างกายเนี่ยได้เอ็กซ์ไซส์แล้วมีเรี่ยวมีแรง ไม่เอ็กซ์เซอร์ไซด์ก็ไม่ค่อยมีแรงแต่จิตเนี่ยนะต้องสงบจึงจะมีแรงจิตต้องได้พักผ่อนงั้นสมาธิอย่างแรกเนี่ยเป็นไปเพื่อความสงบของจิตเพื่อให้จิตมีเรี่ยวมีแรงได้พักผ่อนแล้วมีประโยชน์อะไรตอนที่เราเดินปัญญาเนี่ยเราใช้พลังของจิตมากนะตอนที่จเจริญปัญญานี่ใช้พลังของจิตมากงั้นใช้ไปสักช่วงหนึ่งเนี่ยจะหมดแรงถ้าหมดแรงแล้วใจจะฟุ้งซ่านจะดูสภาวะไม่รู้เรื่อง ถ้าดูสภาวะไม่รู้เรื่องแล้วเนี่ยเป็นเวลาที่ต้องทําสมาธิชนิดสงบเนี่ยทำสมาาำถะกรรมฐานต้องทําไม่ทําแล้วก็ใจจะไม่มีแรงแห้งแร ง, แรงนะงั้นต้องฝึกนะฝึกเอาสักอย่างหนึ่งเดี๋ยค่อยบอกก็ได้นะจริงๆสอนไว้เยอะเหมือนกันส่วนสมาธิอีกชนิดหนึ่งให้จิตตั้งมั่นเป็นการเตรียมจิตให้พร้อมที่จะเจริญตัญญาอันนี้สอนเรื่อยๆเล ย, เลยสอนแทบทุกครั้งก็คือให้รู้ทนันทํากรรมฐานอย่างหนึ่งนะ มีวิหารธรรมไว้อย่างหนึ่งอย่างเดิมแหละที่เคยฝึกให้จิตสงบแหละแต่ตอนที่เราฝึกให้จิตสงบเนี่ยเราน้อมจิตไปอยู่กับอารมณ์กรรมฐานนั้นเช่นเราพุทโธพุทโธเราน้อมจิตให้อยู่ที่พุทโธน้อมไปสบายๆไม่ใช่บังคับนะแค่รู้สึกแค่รู้สึกลงไปที่อารมณ์ต้องรู้สึกสบายๆก็พุทโธแล้วมีความสุขนะก็พุทโธไปสบายๆหายใจแล้วมีความสุขหายใจสบายๆเราลึกอยู่ที่ลมหายใจไปเรื่อยๆ พอจิตมันไปอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขจิตก็ไม่พลานไปที่อื่นใจมันก็สงบใจสงบใจได้พักผ่อนใจมีเรี่ยวมีแรง น, นี่คือหลักนะทำสมาธิทํากรรมฐานอย่างหนึ่งน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์กรรมฐานนั้นสบายๆจิตมีความสุขอยู่จิตจะได้ความสงบใช้อารมณ์อย่างเดิมแหละนะถ้าจะทําให้จิตตั้งมัน่นก็ใช้อารมณ์อย่างเดิมที่เราคุ้นเคยแหละเคยพุโทโธก็พุโทโธเคยหายใจก็าหายใจ แต่ทำกรรมฐานแล้วคราวนี้ไม่ใช่น้อมจิตไปอยู่ที่อารมณ์ทำกรรมฐานแล้วคอยรู้ทันจิตที่หนีไปจากอารมณ์หรือไปจับอยู่ที่อารมณ์จิตมันจะเคลื่อนได้2แบบเวลาที่เราทำกรรมฐานหนึ่งเคลื่อนหนีอารมณ์ไปหนีไปคิดเรื่องอื่นส่วนใหญ่ก็จะหนีไปคิดอีกอย่างหนึ่งก็คือเคลื่อนไปอยู่ที่ตัวอารมณ์เช่นเรารู้ลมหายใจนี่จิตเคลื่อนไปอยู่ที่ลมหายใจให้รู้ทันว่าจิตเคลื่อนหายใจอยู่จิตหนีไปคิดให้รู้ว่าจิตคิด ตรงที่เรารู้ว่าจิตมันไหลไปมันไหลไปคิดไหลไปเพ่งถ้ารู้ว่าจิตไหลนะจิตไหลเนี่ยเป็นจิตที่มีโมหะมีอุทักษะถ้าเรามีสติรู้ทันจิตที่ไหลจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติเพราะอะไรเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นไม่มีกิเลสงั้นเราต้องฝึกนะฝึกอย่างแรกถ้าอยากให้จิตสงบก็น้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขฝึกอย่างที่สองรู้อารมณ์ที่มีความสุขนั่นแหละแต่ว่ารู้ทันจิต เอาจิตเป็นตัวหลักนะถึงจะเรียกว่าจิตตสิกขาไม่งั้นก็เรียกว่าอารมณ์สิกขาสิเนะนี่ท่านเน้นมาที่ตัวจิตนะเช่นหลวงพ่อตันเดงให้ลมหายใจจิตสงบอยู่กับลมหายใจนี่ได้สมาธิอย่างแรกสงบนี้ต่อมาก็จะมาฝึกเราคอยรู้ทันจิตมันไหลเข้าไปที่ลมหายใจเราเห็นนะจิตมันเคลื่อนที่ได้ไหลเข้าไปที่ลมหายใจปุ๊บพอรู้ปุ๊บจิตมันดีดผางขึ้นมาได้จิตผู้รู้ขึ้นมา นะหรือจิตมันไหลไปคิดเรารู้ทันก็จะได้จิตผู้รู้ขึ้นมาเมื่จิตผู้รู้เนี่ยตรงข้ามกับจิตผู้ไหลไปผู้หลงไปคนโบราณเก่งนะใช้คําว่าหลงไหลมันหลงไปแล้วล้นไหลไปนะคนโบราณนี่เก่งจริงๆเลยคนเดี๋ยวนี้บัญญัติศัพท์นะหวยแตกมากเลยฝุดๆอะไรเงี้ยนะมันูแุแปลว่าอะไรภาษาปูยา่า ย, าย่าตาใหญ่ก็ไม่รู้จักหรอกนะคนโบราณบัญญัติแต่ละคำเนี่ยเข้าใจ เข้าใจนะไม่ใช่เข้าสมองนะไม่ใช่เข้าหูนะก็เข้าใจนะแต่ละคํานะหลงไหลหลงแล้วไหลไปไหลจริงๆฟุ้งโลซ่านไปฟุ้งฟุ้งฟุ้งแล้วก็ซ่านไปต่างๆหูจมูกลิ้นแกนใจมัพทับแต่ละตัวมันสะท้อนความรู้สึกภายในมันสะท้อนอย่างหนึ่งนะบรรพบุพรุษที่บัญญัติสัพ์นี่เลย เก่งในเรื่องการดูจิตมากเลยประนีสตสั์แต่ละคำแต่ละคำใจดำรู้จักใจดำไหมมันดำไหมมันดำจริงๆนะใจดีใจร้ายาแต่ละตัวแต่ละตัวนะโอ้มันมันมันเนาะมันสะท้อนเลยว่าคนโบราณเนี่ยดูจิตเก่งจิตใจเป็นยังไงรู้ได้แยกได้ละเอียดมากเลยนะคนไทยเรามีสั์เกี่ยวกับจิตใจทั้งสองสามรอยคำนะซึ่งมีมาก ประเทศอื่นจะมากใอย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้นะเพราะว่าไม่รู้ศัพท์ของเขาแต่ว่าอย่างภาษาอังกฤษเนี่ยพวกฝรั่งบอกโกรธมันก็มีโกรธเท่านั้นแหละมันไม่มีภาษามากเท่าคนไทยนะคนไทยโกรธเกลียดยอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวนตรนีนี่ตระกูลโกรธทั้งนั้นเลยมันมีดีกรีที่ไม่เหมือนกันเซงก็โกรธนะเซงเอียนก็โกรธนะเบือ่อก็โกรธนะนายก็โกรธนะเนี่ยแต่ละตัวมีดีกรีนะเนี่ยสะท้อนเลยว่า น, นี่เราคอยรู้ทันจิตที่ฟุง้งซ่านจิตที่ไหลถ้าเรารู้ทันจิตที่ไหลจิตก็จะตั้งมันจะได้จิตผู้รู้ขึ้นมานี่เป็นวิธีที่ให้ได้จิตผู้รู้ที่ง่ายที่สุดละถ้าจะได้จิตผู้รู้เต็มภูมิต้องใช้วิธีเข้าฌานนะถ้าเข้าฌานจนถึงฌานที่สองเนี่ยออกจากฌานที่สองมานะจะได้ตัวรู้ที่เด่นดวงอยู่แล้วถ้าจะให้ลึกกว่านั้นนะยอดเยี่ยมกว่านั้นนะเข้าไปถึงอรูปฌานร่างกายหายไป พอจิตถอยออกจากรูปชานมีร่างกายเนี่ยตรงเนี้จะแยกขันได้เลยมันจะเห็นว่ากายกับจิตเนี่ยคนลนกันนะแล้วมันไม่รวมเป็นอีกแล้วชาตินี้ชาติหน้าค่อยว่ากันใหม่นะชาติหน้าไปลงผิดใหม่ในชาติเนี่ยใจที่เคยเข้าไปถึงอรูปแล้วมันรู้ว่าร่างกายกับจิตเนี่ยคนละอันกัมันรู้อย่างซึ้งเลยนะงั้นถ้าเราเข้าฌานได้นะถ้าถึงฌานที่2ได้ตัวรู้ถ้าถึงฌานที่5้าหเดแปดนี่ยไม่มีร่างกายแล้วถอยออกมาเนี่ยจะแยกขันได้เลย นี่เป็นเรื่องแปลกแต่ถ้าเราทําเข้าชาญไม่เป็นอย่าเสียใจใช้วิธีรู้อารมณ์กรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตที่ไหลไปไหลามาไหลไปคิดก็รู้ไหลไปเพ่งก็รู้เนี่ฝึกนะสิ่งนี้ต้องฝึกไม่ฝึกก็ไม่เก่งทุกวันก็แบ่งเวลาไว้นั่งทํากรรมฐานสักย่าหนึ่งวันนี้ฟุง้งซ่านมากก็น้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขวันนี้จิตสบายดีแล้วก็คอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไหวไปมา ฝึกอย่างนี้สมาธิพวกเราก็จะดีขึ้นดีขึ้นคารวะาก็ทําได้นะหลวงพ่อกล้ายืนยันหลวงพ่อทำมาตั้งแต่เป็นค า, วารวะหลวงปู่สิมเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้นะทําไมเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้บางคนได้ยินแล้วงงๆทาไมหลวงปู่เรียกนายคนนี้ว่าผู้รู้รู้อะไรวะนายคนนี้รู้ตัวรู้สึกตัวไม่ได้จิตไหลไม่ได้หลงลืมตัวเองจะยืนจะเดินจะนั่งจะตอนั่มันรู้สึกตัวคนไม่รู้สึกตัวนัมันน่าเกลียดนะ ยิ่งเข้าใกล้ครูบาอจารย์นะมันเดินเดินเตะกระโโถงท่านกระเด็ดเลยก็มีนะเดินสะดุดท่านก็มีนะมันไม่ดีไม่งามนี้เรากลัวกลัวบาปนะยิ่งเข้าใกล้ครูบาจารย์นั้นคนะ ค, ร ค, ราานะคอยระวังสํารวมนะครูบาจารย์ก็เออไอคนนี้ดีไหมฝึกสตินะฝึกสมาธิใจตั้งมั่นอยู่กับตัวเองแล้วต่อไปก็ฝึกเจริญปัญญา เนี่ยต้องสะสมศรัทธาก็ต้องสะสมนะวิริยะก็ต้องพัฒนาสติก็ต้องซ้อมซ้อมดูสภาวะสมาธิก็ต้องซ้อมไม่ซ้อมก็เสื่อมอย่าว่าแต่พวกเราเลยพระอราหันต์นะพระอราหันต์ที่บอกว่าสมาธิไม่เสื่อมสมาธิบางอย่างสมาธิบางอย่างนะถ้าไม่ซ้อมก็ไม่ชำนาญนะสมาธิที่ไม่เสื่อมเนี่ยคือสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นอยูนะ่ ไม่ต้องรักษาเลยตั้งแต่พระนาคานะไม่ต้องรักษาจิตแล้วจิตมันไม่หลงไปในกามเมื่อกามมาคุณอารมณ์เนี่ยมายุ่งให้จิตสร้างไปไม่ได้จิตมันมีสมาธิอัตโนมัติอยู่แต่เรื่องเข้าฌานต้องซ้อมปุถุชนบางคนเข้าฌานเก่งกว่าพระดิยาพระดิยาบุคคลนะบางองค์ได้ปฐมฌานเท่านั้นไม่ได้ฌานที่สองด้วยซ้ำไปปุถุชนบางคนได้ฌานสี่ได้ฌานที่5้าหดแปดก็มีไม่ใช่ไม่มี งั้นต้องซ้อมเอาเคยมีคนถามหลวงปู่มั่นอันนี้หลวงพ่อไม่ทันท่านนะตอนที่ท่านสิ้นหลวงพ่อยังไม่เกิดถ้าจะพูดแบบชาวพุทธตอนที่หลวงปู่มั่นสิ้นหลวงพ่อยังไม่ตายยังไม่ตายอยากชาติก่อนไม่ทันท่านชาติ น, นี้แต่อ่านที่หลวงตา ม, มหาบัวเขียนว่าคนไปถามท่านว่าทำไมท่านต้องซ้อมต้องเดินจงกรมต้องนั่งสมาธิอะไรย่างเงี้ยท่านบอซ้อมไว้ใช้ สมาธิแบบนี้นต้ซ้อมไปใช้พวกชาสมสามาบัติพวกอะไรพวกนี้ของเล่นต่างๆอุปกรณ์ในการสอนอะไรพวกนี้ท่านก็ต้องซ้อมถ้าอ่อนซ้อมมันก็ไม่คล่องนะแต่พวกเราอย่าไปเล่นนะเนีย่ยไปเล่นถ้าพวกเราไปเล่นสะก่อนเนี่ยเราจะไม่ได้ของจริงเป็น ไ, ได้ของเล่นแทนนะอยไปรู้จิตคนอื่นรู้จิตคนอื่นไม่ยากนะรู้จิตตัวเองยากกว่างั้นอย่าเพิ่งไปรู้จิตคนอื่นรู้จิตตัวเองก่อนให้ชํานาญก่อน เราชำนี้ชํานาญแล้วจิตใจเรามีหลักประกันแล้วไม่ตกอบายแน่นอนแล้วเนี่ยอยากรู้จิตคนอื่นไม่ใช่เรื่องยากหรอกทำไงจะรู้จิตเขาได้สนใจแค่สนใจมีฉันทะมีความอยากรู้สนใจฮะฉันทาแล้วอะไรมิริยะแล้วอะไรจิตตะแล้วอะไรมิ망สาท่องได้แต่ทําไม่ได้หรอก <laughs> มีฉันทะอย่างเดียวไม่มีวิริย <laughs> ะถ้าทำเนี่ยมีฉันทะวิริยะจิตตาวิมารสายอยาว่าแตจะไปรู้จิตคนอื่นเลยรู้อย่างอื่นก็ได้บางวงเล่นลิศเล่ น, เ, ล น, เ, ลนเด่นได้อาศัยอิทธิบาทนั่นแหละแต่ว่าอย่าเพิ่งเล่นเอาของจริงก่อนไม่งั้นได้แต่ของเล่นของจริงไม่ได้งั้นฝึกนะให้ใจมัอยู่กับตัวรู้ตัวรู้ตัวจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนรู้สึกตัวจะหายใจออกจะหายใจเข้ารู้สึกตัว ให้จิตใจอยู่กันเนอกันตัวไม่ถูกนิวรณ์ครอบงำพวกเราอนิวรณ์มันชอบครอบนั่งสมาธิปุ๊บนิวรณ์ก็ครอบแนละ้นั่งอยู่เฉยๆตาแป๋วแป๋วยังไม่ครอบนะพอเริ่มนั่งสมาธิแป๊บเดียวจะ เ, เริ่มอย่างนี้ว่าพอลืมตาขึ้นมาก็เ น, นี่ยบอกแม้สงบเต็มที่เลยต้องฝึกนะค่อยๆฝึกไป ส่วนเรื่องเจริญปัญญาหลวงพ่อสอนมาเยอะแล้วนะเจริญปัญญาเนี่ยก็คือการเรียนรู้ความจริงของรูปนามสิ่งที่เรียกความจริงก็คือไตรลักษณ์ก็ต้องเห็นไตรลักษณ์ของรูปของนามถ้าเห็นรูปเห็นนามเป็นสมถะนะจำไว้นะเห็นท้องฟองเห็นท้องยบสมถะมือขยับหรือมือหยุดนิ่งเห็นมือเห็นนีสมถนะดูจิตจิตว่างๆนิ่งๆอยู่สมถะ ดูจิตก็เป็นสมถะได้นะดูกายก็เป็นสมถะได้เมื่อก่อนคนชอบคิดว่าดูกายเป็นวิปัสนาดูจิตได้สมถะชอบคิดอย่างนี้นะดูกายนี่แหละตัวสมถะตัวดีเลยเช่นเห็นท้องพองท้องยุบเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูมได้ความสงบได้ความสงบได้สมถะงั้นจะดูอะไรนะถ้าดูไม่เป็นไม่เห็นใจรักมันก็เป็นสมถะหมดแหละถ้าเห็นใจรักถึงจะเป็นวิปัสนา นี่ก่อนที่จะเห็นไตรลักษณ์ได้ต้องแยกรูปนามได้ก่อนตรงที่แยกรูปนามได้ยังไม่เป็นวิปัสนาแต่เป็นจุดตั้งต้นของการเจริญปัญญาหลวงตามหาบัวถึงบอกผมว่าถ้าแยกรูปแยกนามไม่เป็นอย่ามาคุยวัดเรานะว่าเจริญปัญญาท่นว่าอย่างนี้นเสียดายประโยคแบบนี้เด็ดๆนะครูบาอาจารย์เก่งมากๆเลยคนไม่ค่อยทรงจําสิ่งที่วิเศษอย่างนี้ไว้ลืมๆไปเราฟังทีเดียวหูยังก็ สะุดหูเลยนะฟังเราภาวนาเนี่ยฟังธรรมะขั้นภาวนานีมันสะใจอ่าโอ้คุณบาอาจารย์ไม่ธรรมดานะมันแล้วคนอย่าลืมงั้นต้องแยกธาตุแยกขันให้เป็นทำงานจะแยกธาตุแยกขันได้อยากแยกธาตุแยกขันแล้วก็แยกรูปนามนั่นแหละหัดเริ่มต้นแยกรูปแยกนามแล้วรูปเนี่ยถ้าแยกละเอียดออกไปก็เป็นธาตุสี่ นามแยกออกไปได้อีกนะเป็นสี่ขันเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแยกออกไปแยกเท่าที่แยกได้ไม่ต้องแยกได้ทั้งหมดถ้าแยกได้ละเอยียดจิ๊บลงไปเลยนะจะแยกได้71ตัวมากไปเยอะไปโกรธก็ตัวหนึ่งโลภ ก, ก็ตัวหนึ่งอะไรเงี้ยหลงก็ตัวหนึ่งฟุ้งซ่านก็ตัวหนึงหดหูก็ตัวหนึ่งศรัท ธ, ธาวิรยิยะสติสมาธิปัญญาอะไรเนี้ยเนี่ยแต่ละตัวแต่ละตัวคนละอ่านกันเป็นสภาวะธรรมล้นวนๆเลย สภาวะธรรมทั้งหมดมี72ตัวหนึ่งคือพระนิพพานปุถุชนจะไม่เคยเห็นนะเพราะฉะนั้นพวกเราไม่ต้องไปสนใจนิพพานหน้าตายัางไงจะไปหลงเอาความว่างมาเป็นนิพพานไม่ใช่นิพพานตัวจริงและใน71ตัวเนี่ยเป็นจิตส่วนหนึ่งจิตคือตัวที่รู้อารมณ์จิตเป็นธรรมชาติที่เป็นตัวรู้รู้อารมณนะ์อีก70ตัวเนี่ยมันเป็นรูป18ตัวแลเป็นตัวเจตสิก ความรู้สึกต่างๆเนี่ยหตัวรวมแล้วได้72ดตัวเราไม่ต้องเรียนเยอะขนาดนั้นมันไม่ใช่ภูมิที่เราจะเรียนนะไม่ใช่ภูมิของสาวกภูมิระดับพวกเราจะรู้ได้ทาง72ตัวอย่างมากก็แค่เรียนท่องจำเอาไว้เรียกท่องลัคณาที่จตุกะของสภาวะแต่ละตัวแต่ละตัวเอาเข้าจริงไม่เคยเห็นสักตัวก็ใช้อะไรไม่ได้หัดรู้หัดรู้ที่แรก รู้รู้อะไรง่ายๆนะที่เรารู้ได้อย่างเราเป็นคนขี้โมโหเนี่ยเวลาความโกรธเกิดขึ้นเราก็ค่อยๆสังเกตเอ้ยเมื่อกี้ไม่โกรธตอนนี้โกรธนะความโกรธมันค่อยๆผุดขึ้นมาผุดมันผุดจากกลางหน้าอกรู้สึกไหมมันผุดขึ้นมาจากกลางหน้าอกมันผุดปุ๊บปุ๊รู้ทันแล้วมันก็หายไปบางทีมันขึ้นมาแรงเลขึ้นหัวเลยใครเคยเป็นไหมความโกรธพุ่งพลวดขึ้นหัวเลยนะขึ้นหน้าไปเลย ความโลภก็เหมือนกันค่อยๆเนี้ยขึ้นมากลุ่มหัวเวลาความโลภโลภะขึ้นมากลุมหัวเขาเรียกว่าอะไรเรียกว่าหน้า ม, มืด <c oughs> <c oughs> เกิดสภาวะที่เรียกว่าหน้า ม, มืดมันมืดจริงๆนะมันมืดจริงๆนะเราเห็นหน้าปุ๊บเลยไอน้นี่กำลังหน้า ม, มืดดูได้มันมืดจริงๆมันมัวสัวไม่ได้เรื่องได้เราหน้ามันไม่ใสเนะนี่ยมันขึ้นมาจากกลางอกเนี่ยมันบุดขึ้นมา ถ้าเราขี้โลภเราก็เห็นเดี๋ยวก็โลบเดี๋ยวก็อยากเดี๋ยวอยากเดี๋ยวอยากเห็นมันปุดขึ้นมาเรื่อยๆแต่อไปเราก็สังเกตนะไอ้ตัวนี้ไม่ใช่จิตหรอกความโลบที่ปุดความอยากที่ปุดนะเป็นสิ่งที่จิตไปเห็นเข้ามันไม่ใช่จิตหรอกเนี่ยค่อยๆหัดอย่างนี้นะเดี๋ยวมันก็แยกอยากรูปแยกนามได้แยกธาตุแยกขันได้มันเห็นว่าความโลภ ก, กับจิตเป็นคนละอันกันนี่คือแยกสภาวะออกจากกันได้หรือคนไหนขี้โกรธ เดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็ขัดใจนะเดี๋ยวก็โกรธสุดขีดมีหลายดีกรีใช่ไหมโกรธเดีย๋ยโกรดนิดหน่อยขัดใจเล็กๆใ ห, หรือเอียนเจอหน้าเพื่อนบางคนรู้สึกเอียนมีไหมอันนั้นโทสะเหมือนกันนะอโทสะเหมือนกันใครยังมีบ้างเจอหน้าคนนี้แล้วเอียนมากเลยเบือ่อมีไหมถ้าไม่มีก็ใกล้อนาคาแล้วล่นะ <laughs> เนี่ยโทรสะนะ <ừ. S 2> ถ้าเราขี้โกรธเราก็เห็นนะความโกรธปุดขึ้นมาเดี๋ยวก็หายไปเดี๋ยวว่าปุดขึ้นมาเดี๋ยวหายไปแล้วค่อยๆดูไปเราจะเห็นว่าความโกรธนั้นเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เขา้าเพราะฉะนั้นความโกรธกับจิตเนี่ยคนละอันกันเ น, นี่ยคอยดูไปเรือความสุขมีความสุขเกิดขึ้นความสุขเกิดขึ้นในใจนเดี๋ยวมันหายไปได้ให้ความสุขกับใจเป็นคนละอันนะใจเป็นคนดูความสุขมันมาแล้วมันก็ไปใจเป็นคนดูเนี่ยก็จะแยกได้ ความทุกข์เกิดขึ้นก็ดูอีกความทุกข์เกิดในใจเห็น <kardeşim S 1> <he en, S 3> ความทุกข์มาแล้วก็ไป <t hundred> ความทุกข์กับใจเป็นคนละอ่านกันความทุกข์เป็นสิ่งที่ใจไปรู้เข้าหรือ <t> ความสุขในร่างกายมีความสุขในร่างกายเกิดขึ้นก็รู้เห็นอีกนะความสุขนี้มันไม่ใช่ร่างกายนะความสุขมันไม่ใช่ร่างกายเรานั่งอยู่ก่อนหรือลมพัดมาเย็นๆอย่างนี้เราก็นั่งอยู่เฉยๆลมโวยมามีความสุขในร่างกายเกิดขึ้นแล้ ว, ว ม, มันก็ไม่ใช่จิต จิตเป็นคนไปเห็นครับหรือเรานั่งอยู่เราเมื่อยอยนั่งทีแรกไม่เมื่อยนั่งไปนั่งมาความเมื่อยแทรกเข้ามาเออความเมื่อยกับร่างกายก็คนละ อ, อันกันเร่างกายมันตั้งอยู่แล้วก็ความเมื่อยมันมาทีหลังนะั้นคนละ อ, อันกันจะรู้สึกอย่างนีนะ้แล้วก็มันก็ไม่ใช่จิตเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าใหนะ้หัดดูอย่างนี้แหละหรือบางคนก็าูกกายแยกกายตรงๆเลยกนะ็เห็นร่างกายมันนั่งอยู่เอายิ้มยิ้มหวาน รู้สึกไหมร่างกายมันยิ้มยิ้มหวานๆหน่อยหนุ่มผมเขียวนี่ยิ้มหวานๆสิยิ้มเออแล้วพยักหน้าเห็นไหมร่างกายมันยิ้มร่างกายพยักหน้าน ใ, ใจเราเป็นคนดูร่างกายกับใจมันโคโรนกันหาดไปเรื่อยๆนะ่ะถ้าจะขยับมือชอบขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนก็ดีเหมือนกันนะยุงมาแล้วก็อย่างเงี้ยเปลี่ยนมุมหน่อยหนึ่งได้ขยับเราก็เห็นว่าร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูนะ หายใจออกหายใจเข้าเห็น <c oughs> <อ>ร่างกายหายใจใจเป็นคนดูนะเอาต่อไปนี้สังเกตตัวเองซิ <c oughs> หายใจออกหรือหายใจเข้ารู้สึกสบายสบายรู้สึกสบายสบายรู้หมว่าร่างกายหายใจออกรู้ไ้ยร่างกายหายใจเข้านี่แหละแค่รู้แบบนี้แหละนะเห็นไ้ยร่างกายกับจิตมันโคราชกันจิตมันเป็นคนรู้ร่างกายมันถูกจิตรู้ค่อยหัดนะหัดค่อยค่อยแยกแยกแยกไปเรื่อยๆต่อไปมันก็ชานาญขึ้นมาแต่บางคนนะ พอจิตมันมีสมาธิตั้งมั่นปุ๊บนะขันแยกเลยไอน้นี่พวกนี้พวกทํามาแต่ชาติบางก่อนพวกเคยเจริญปัญญามาแต่ชาติงก่อนถ้าเราไม่แยกเราก็ซ้อมแยกฝึกแยกไปด้วยร่างกายทายําไงดียิ้มสีมดีกว่าหน้าพึ่งยิ้มจะเห็นร่างกายเป็นยิ้มเห็นด้วยความรู้สึกมันจะรู้สึกร่างกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยเป็นอันหนึ่งนะจิตใจที่เป็นคนรู้เป็นอีกอันหนึ่ง ในความเป็นจริงแล้วร่างกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยยังไม่ใช่รูปแท้ๆนักหรอกนะเรียกวิญยติรูปถ้าตัวรูปแท้ๆเลยนันจะเป็นพวกธาตุดินน้ำไฟลมอะไรนั่นเป็นธาตุหลักๆเลยแล้วก็ประกอบเป็นรูปบางอย่างขึ้นมาส่วนวิญยติรูปเนี่ยบางคนว่าทำวิปัสสนาไม่ได้นะเช่นเห็นรูปเดินรูปยืนรูปนั่งรูปนอนใจเป็นคนดูบางคนบอกทำวิปัสสนาไม่ได้ไม่ใช่รูปแท้ๆ แต่หลวงพ่อว่ามันก็ได้เหมือนกันแหละเพราะว่าเราไม่สามารถไปเห็นรูปจริงๆได้เอารูปข้างเคียงไปก่อนพออาศัยไปก่อนดีกว่าไปทําช่วยอย่างอื่นดูไปดูไปนะพระใจมันมีกําลังขึ้นมาสมาธิมันมากพอมันก็แยกได้จริงๆแรกๆอาจจะยังไม่ได้ต่อไปไม่จะแยกรูปแยกนามออกไปได้จริงๆเห็นธาตุมันทํางานได้จริงๆธาตุมันเปลี่ยนอยู่ตลอดนะธาตุมันเปลี่ยนแต่ว่ามันดูยากลองเอามือของตัวเองขึ้นมา แล้วลองจับตรงตรงนี้ลองจับทำมือให้ผ่อนคลายแล้วจับนะแล้วจำจความรู้สึกตอนนี้ไว้นะจำว่ามันมันอ่อนมันแข็งแค่ไหนอ้าแล้วหยุดเกลงใหม่เกลงให้แข็งแล้วจับใหม่รู้สึกไหมมันไม่เท่ากันอันนี้เรียกว่าธาตุดินธาตุดินมันเพิ่มขึ้นเพราะธาตุดินเพิ่มขึ้นนะใ ม, มันก็แข็งมากขึ้น ธาตุนี้เพิ่มขึ้นมาเพราะอะไรจิตมันสั่งจิตมันไปสั่งธาตุก็ได้นะะแล้วจิตก็มาจับธาตุอีกเนี่ยเอวียนยุ่งละอันนี้ยุ่งยากเกินไปนี่แค่ยกตัวอย่างให้ดูนะว่ายากนะยากเฉลินเรื่องธาตุจริงๆยากนะไม่ทรงชานดูไม่ออกอะมั่วเฮคิดเอางั้นเราก็ทําเท่าที่เราทําได้ละเอายิ้มหวาน รู้สึกไหมร่างกายมันยิ้มรู้สึกอีกสเต็ปหนึ่งรู้สึกไหมไอ้ตัวที่ยิ้มมันไม่ใช่ตัวเราหรอกมันเป็นตัวร่างกายมันยิ้มมันไม่ใช่เรายิ้มนะจิตมันเป็นคนดูอยู่ร่างกายมันจะไม่ใช่ตัวเราลล้วลองกระดิกหูซิทาได้ไหมบางคนกระดิกหูได้หลวงพ่อทำได้น <es> ถ้าหัวกระดิกหูมันก็ต้องกระดิกด้วยแหละเพราะมันอยู่ติดกันเนี่ยแสดว่าเราใส่ได้เนี่ย สายหน้าเราเห็นร่างกายมันสายเรารู้สึกเข้าอีกสเต็ปหนึ่งนะไตัวที่เคลื่อนไหวเนี่ยมันไม่ใช่เราหรอกเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุนะค่อยๆรู้สึกไปค่อยๆหัดรู้สึกไปเนี่ยสำหรับพวกที่แยกยากนะค่อยแยกแยกๆพอยแยกได้แล้วก็ดูไปแต่ละอย่างเนี่ยไม่ได้เกิดลอยๆเช่นความโกรธที่เราเห็นความโกรธกับจิตกันโคนละนเนี่ยความโกรธไม่ได้เกิดลอยๆนะความโกรธต้องมีเหตุถึงจะเกิด เหตุของความโกรธมีอะไรบ้างแรกเลยต้องกระทบอารมณ์ที่ไม่พอใจถ้ากระทบอารมณ์ที่พอใจไม่โกรธมันมีหลวงพ่อเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งนานแล้วนะจําไม่รู้ถูเปล่าสูสีไทเฮาหรือใครกําม่รู้จำไม่ได้นะักเป็นพวกผู้ยิ่งใหญ่ของจีนเนี่ยเขาบอกเขาไม่เคยอาฆาตใครเลยโกรธทีไรมันตายหมดเลย ไม่เคยอาฆาตเลยอย<ร>่างเ <amente> งี้ยเนี่ยมันมไม่กระทบอารมณ์ที่ไม่พอใจนะไม่ได้อาฆาตเลยแต่ถ้าคอยตรึกอยู่ไอ้คนนี้ร้ายไอ้คนนี้ร้ายอย่างเงี้ยนะมีต้นเหตุมันก็จะอาฆาตนี่มันไม่ได้อาฆาตเพราะอนี้มันตายไปแล้วนะสมน้าหน้ามันด้วยซ้ไม่ได้อาฆาตเชื่อโกรธก็ต้องมีเหตุคือต้องกระทบอารมณ์ที่ไม่พอใจนะกระทบอารมณ์ที่เป็นเขาเรียกอนิถารมณ์ กระทบแล้วนะต้องตรึกในทางพยาบาทวิตกตรึกในทางไม่ดีถ้ากระทบอารมณ์ที่ไม่น่าพอใจแล้วเราตรึกไปในทางเมตตานะโทสะมันจะไม่เกิดนะงั้นมันมีหลายแฟกเตอร์นะไม่ใช่อยู่ๆโทสะเกิดได้หรอกหรือตามองเห็นรูปเนะี่ยทำไมตาจะเห็นรูปได้รูปมาปรากฏทางตาได้อันแรกต้องมีรูปใช่ไหมที่สองต้องมีจกักรคู่ประสาทประสาทตามีตาอย่างเดียวไม่ได้นะต้องมีตาที่พร้อมด้วยจกักขคู่ประสาท ร, รับรับรู้รูปได้รับรู้แสงได้แล้วมีแสงสว่างมากพอมีตามีรูปแต่มืดตืต้อเลยก็ไม่รับรูปไม่เห็นรูปนั้นนะก็มีหลายองค์ประกอบมีตามีรูปมีแสงสว่างพอดีนะมีจิตเกิดขึ้นมีความสนใจจิรู้สึกเคยั้มคนเดินผ่านหน้าเราไม่รู้ว่าใครเดินเพราะอะไรจิตมันไม่เข้าไปจับมันไม่รู้สึก แม้แค่ตาเห็นรูปอย่างเดียวนะให้รูปที่ปรากฏขึ้นมาอันเดียวเนี่ยองค์ประกอบทั้งเยอะแนะ่เพราะฉะนั้นแต่ละอย่างแต่ละอย่างไม่มีหรอกนะเกิดลอยๆแต่ไม่ต้องเรียนเยอะขนาดนี้นะถ้าเราเป็นคนชี้โกรธเราก็เรียนเฉพาะความโกรธกับเหตุของความโกรธเราชี้โลภก็ดูความโลภกับเหตุของความโลภเนี่ยดูอย่างนั้นไปไม่ต้องรู้ทุกอย่างถ้ารู้ทุกอย่างแล้ว่็วุ่นวายตายเลยเหนื่อยยากเกินไปเกินจําเป็นนะหัดรู้สึกหัดรู้สึกไป ต่อไปมันจะเห็นสภาวะทั้งหลายนะมันมีเหตุมันก็เกิดขึ้นมาแล้วหายไปนะแล้วต่อมาปัญญามันแก่กล้าขึ้นไปอีกมันจะเห็นมากขึ้นนะมันจะรู้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพราะอะไรของที่เคยมีนะั้นมันหายไปแล้วเมืนะ่อบัดดีเราส่องกระจกเราเห็นหน้าของเราเราจำหน้าของเราตอนนี้ได้ไปดูรูปเก่า นะรูปเมื่อปีกลายกับหน้าเราเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนกันหรอกปีหนึ่งก็ไม่เหมือนกันแล้วละ่ะหน้าเราเปลี่ยนทุกวนะันนะ่ยนะถ้าไปดูรูปโอ้ร่างกายนี้ไม่เที่ยงนะเพราะว่ารูปสมัยก่อนกับรูปในปัจจุบันเนี่ยไม่เหมือนกันอันนี้ก็ยังไม่เปลี่ยนมีปรัสนานะแต่มันเริ่มดูไตรักษณแต่มันดูใจรักของสภาวะสองอย่า ง, อ ง, อางเรียบเทียบกันนะสองอย่างที่คล้ายๆกันเราไปเทียบกันคนละห่วงเวลาตัวที่มันจะขึ้น วิปัสสนาจริงเห็นไตรลักษณ์จริงเนี่ยมันเห็นไอ้รูปตัวนี้หรือนามตัวนี้แหละที่เกิดสภาวะธรรมอันนี้แหละที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันตั้งอยู่มันดับไปหรือว่ามันบังคับไม่ได้ไม่เห็นตัวเดียวกันนี้นะไม่ใช่คนละตัวเห็นในปัจจุบันนี้ไม่ใช่กนละพ่วงเวลานะอย่างนี้เราใจยังขึ้นวิปัสสนาจริงๆแล้วอย่าตกใจนะหรือพ่อแจกแจงละเอียดไม่ใช่เพื่อให้เรากลัวมันไม่ยากหรอก เราหัดรู้สึกตัวนะดูกายมันทางานดูใจมันทํางานโลภขึ้นมาก็รู้โกรธขึ้นมาก็รู้หลงก็รู้ฟุ้งซ่านก็รู้หดถูก็รู้รู้ได้แค่ไหนก็แค่นั้นสุขก็รู้ทุกข์ก็รู้หายใจออกก็รู้หายใจเข้าก็รู้ยืนเดินนั่งนอนก็รู้เอาสักอย่างเดียวก็พอในบรรดาที่พูดมาเยอะแยะนี่แค่หายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกเนี่ยเอาแค่นี้สมมติเป็นตัวรูปรูปมันหายใจเนี่ยรูปมันหายใจออกก็รู้สึกรูปมันหายใจเข้าก็รู้สึก ว่ารูปมันหายใจออกหายใจเข้าได้ไรได้ฝึกสติเห็นรูปหายใจออกเห็นรูปหายใจเข้านะเพราะใจมันจะหนีไปจับรูปหรือหนีไปเพ่งรูปรู้ทันได้สมาธิขึ้นมานะียค่อยๆดูไปแล้วพะใจมีสมาธิขึ้นมาใจกับร่างกายที่หายใจเนี่ยป็นคนละอันกันร่างกายหายใจใจเป็นคนดูนะมันจะเริ่มเดินปัญญานะไม่ยากหรอกื่องพอพูดละเอียดเกินไปเพราะเราก็จะตกใจ แต่พูดให้ฟังไว้นะว่าธรรมะของพระชธเจ้า พ, พรานีดมากนะไม่ใช่เรื่องมั่วๆที่จะคิดเอาเองได้นะแล้วคำอธิบายธรร ม, มนะนมีอยู่แล้วอย่าอธิบายเองคำอธิบายพระใจปดโด ก, ก็คืออาตถกาถาต้องรักษาเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นต่างคนต่างอธิบายมันจะมั่วตีเหินตายแล้วก็จะทำลายสัตธรรมไปด้วยธรรมะแท้ๆเพียเพ้ย น, เ พ, ยนเพียนไปเพราะต่างคนต่างตีความใช้ไม่ได้หรอก แต่ว่าที่เล่าให้ฟังเนี่ยเพื่อให้เห็นว่าธรรมะ จ, จริงๆมีอยู่นะถ้ามีเวลาแล้วภาวนาได้เข้าท่าแล้วต้องศึกษาได้ก็ดีปริญญาตนะช่วยกักรักษาไว้แต่ว่าขั้นแรกนี่เอาตัวรอดก่อนบางทีเรียนปริญญาต์เรียนไหนปีนะยังแค่เรียนอภิธรรมเนี่ยเปีครึ่งหลักสูตรนะสมัยก่อนอนะ่ะเดี๋ยวนี้กี่ปีไม่รู้นานเรียนกันนานนะเรียนนักธรรมก็ต้อง3ปีเรียนอะไรต่ออะไรเยอะแย ะ, ยะ เราค่อยๆเรียนเราเรียนภาวนา ก, ก่อนนะรู้หลักพื้นฐานหลักพื้นฐานเนี่ยหาอ่านเอาจากหนังสือของอาจารย์สุชีพก็ได้พระไตรปิฎกสําหรับประชาชนเบสิก mm hmm. อย่างนี้ควรรู้นะไม่งั้นจะถูกเขาต้ม mm hmm. เขาบอกว่านี่ผ่านเป็นอัตตาเขาเชื่อเขาอะไรอย่างนี้นะ mm hmm. มันเหลวไหลเกินไปงั้น Basic เบสิคน่าต้องมีบ้างแล้วก็หัดภาวนาให้จริงจังภาวนาจนกระทั่งจิตใจเรา รู้สึกว่าเอาตัวรอดได้แล้วนะมีโอกาสเขาเรียนปริยัติเรียนบ้างอย่างน้อยก็ส่งจำพระธรรมวินัยเอาไว้บอกกันต่อๆมีมาตรฐานไว้เมืองไทยเรายังบุญนะเรามีอย่างเจ้าคุณประยุทธ์อยู่ท่านเป็นเสาหลักจริงๆเลยนะอย่างหลวงพ่อเนี่ยไม่ถือว่ามีความรู้เยอะนะมีความรู้เล็กกะติดเดียวรู้แต่ว่าทาไงจะเอาตัวรอดรู้แค่นั้นเอง ไม่ได้รอบรู้ทั่วถึงพระไตรปิดกนะงั้นถึงเวลาพวกเราต้องเรียนนะต้องรักษาไว้พอสมควรแล้วนะนะไปหัดนะแล้ววันหนึ่งจะรู้เลยมรรคก็มีจริงฝนก็มีจริงนิพพานก็มีจริงพระพุทธเจ้าก็มีจริงจรพระธรรมพระสงฆ์มีจริงๆนะความทุกข์ก็มีจริงๆ เหตุของความทุกข์ก็มีจริงๆความดับสนิทของทุกข์ก็มีจริงๆนะเหตุไปสู่ความดับสนิทของทุกข์ก็มีจริงๆอีกเรียกว่ารู้แจ้งอริยสัจรู้ทุกข์ทุกข์ก็เป็นความจริงรู้สมุทยัยสมุทัยก็เป็นความจริงรู้นิโรดนิโรดก็คือความจริงรู้มรรคมรรคก็คือความจริงรู้สิ่งเหล่านี้นนะมันจะค่อยสะสมของเราเป็นลาดับลาดับไป ความรู้ถูกความเข้าใจถูกนั่นแหละคือเนื้อแท้ของพระพุทธศาสนาถ้ารู้รู้ไม่ถูกเข้าใจไม่ถูกก็ไม่ใช่พุทธศาสนาถ้าคนถามเรานะอะไรคือพระพุทธศาสนาต้องตอบได้นะว่าสัมมาทิฏฐนะิคือตัวพระพุทธศาสนานะอะส่งกันบ้านหรือจะกลับบ้านเลยก็เอาถอาใครอยากกลับก็บกลับนะบางคนไม่ชอบฟังส่งกันบ้าน ตัออกลําบากรถติดไม่ทรู้หรอกว่าส่งกันบ้านมีประโยชน์มากแต่ว่าไปฟังซีดีเอาก็ได้อย่างเวลาเราพอนาติดขัดนะเปิดซีดีหลวงพ่อฟังคนนึ่นเขาส่งกันบ้านเดี๋ยวก็ได้คําตอบนะว่าเวลาผิดก็ผิดเหมือนเหมือนกันกราบนักสักการะพร ะ, าพ อ, ะอาจารย์หลวงพ่อค่ะอาจารย์หลวงพ่อหลวงปู่ดูลหลวงปู่เทศห้องปูน่นนถูกนี่โยมโยมเคยมาเพิ่งมาครั้งแรกคะ่ะ โยม <kh> ใช้ภาวนาพุทโธนะคะเออพุทโธหลยดีค่ะรู้สึกว่ามีความสุขการพุทโธค่ะโยมตรงนี้ทําทุงนี้ต่อไปพุทโธแล้วจิตมีความสุขให้รู้ว่ามีความสุขนะพุทโธแล้ววันนี้จิตไม่สุขเลยก็รู้ว่าไม่สุขพุทโธแล้วจิตสงบรู้ว่าสงบพุทโธแล้วจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าจิตฟุ้งซ่านค่ะรู้อย่างนี้น่ะถือเรียกว่าพุทโธเป็นค่ะรู้ค่ะให้ทําตัวนี้นะไม่งั้นจะเป็นพุทโธนกแก้ว พุทโธนอคุณทองไว้นิ่งๆอย่าให้มันติดๆๆๆๆๆๆนิ่งติดเฉยนะคพุทโธแล้วก็รู้ทันจิตอันนี้ไม่ให่หลงพ่อผู้เองนะคุณแม่จันดีเคยเล่าให้หลวงพ่อฟังท่านพุทโธแล้ว ร, ร, รู้ทันจิตจิตไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้ใจก็เด่นดวงแล้วแยกขันขันนั่นมันก็แยกได้นะเขาเอาท่าอยู่ไปทําต่อไปคไปมีปัญหาอะไรก็ ตอนนี้ยังยั ง, ยงไม่ยังแยกธาตุแยกขันไม่เปลี่นะคะรู้สึกไหมว่ากายกระใจเป็นคนละอันกันรู้ค่ะรู้นั่นแหละแยกขันล่ะเออกายกระใจเป็นคนละอันกันทําไมหลวงพ่อรู้คนที่แยกขันแล้วหน้าตาไม่เหมือนคนธรรมดานะ <laughs> หน้าตาผิดมนุษย์มนารหน้าตาจะไม่เหมือนคนปกติดูง่ายนั่งรถไปเห็นนี่รู้เลยว่าเนี่ยแอบไปฟังซีดีหลวงพ่อมา <laughs> รู้สึกไหมหน้าตาเราเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนรู้สึกไหมค่ะรู้ค่ะเออนั่นแหละขันมันแยกแล้วหน้าตามันถึงเป็นอย่างนี้มันจะผ่องใสนะผ่องใสแต่ไม่ใช่ใสแบบพวกติดสมถะใสติดสมถะมันใสใ ส, ใสแบบกระเบื้องเคลือบใสแบบกระเบื้องเคลือบนะมันไม่ใสเท่าไหร่หรอกใสแบบมีเชื้อมีเยื่อมีใยมียางเหนียวเหนียวก่ออยู่ข้างในไม่ได้เรื่อง เราใสแล้วโปร่งรู้สึกไหมใจมันโปร่งใจมันนุ่มนวลใจมันเบาใจมันคล่องแคล่วว่องไวม้ยไม่ได้ใสแล้วก็ซื้อบื้ออยู่นั่นแหละใจมันถูกแล้วถ้ามันใจถูกแล้วต่อไปก็ดูขันมันทํางานไปนะจะเห็นเลยร่างกายไม่ใช่เราหรอกดูไปเรื่อยๆร่างกายนี้เป็นก้อนทุกข์เวลาร่างกายเป็นทุกข์ขึ้นมาใจอย่าไปทุกข์กับมัน ก็ให้เห็นในกายก็ส่วนนึงใจก็ส่วนหนึ่งดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะทําถูกแล้วทําดีกลับกลับนับกปัจจุบันค่ะหลวงพ่อหนูส่งการบ้านหลวงพ่อเป็นครั้งแรกะ ค, ะค่ะค่ะหนูก็ปฏิบัติโดยการร่างกายหายใจอะคนะ่ะะร่างกายหายใจใจเป็นคนดู อ, อ ะ, ค, ะค่ะค่ะก็ช่วงแรกอะคะ่ะเมื่อสองปีที่แล้วะคะ่ะหนูก็ปฏิบัติในดู youtube แล้วก็ซีดีของหลวงพ่อนะคะ คือตอนแรกที่ปฏิบัติอะคะ่ะก็นั่งปฏิบัติประมาณถ้าเป็นสมาถาค่ะก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วก็เวลาทำงานไปก็ร่างกายเคลื่อนไหวจิตก็เป็นคนดูอะคะ่ะตอนเวลาโกรธนะคะก็จะเห็นชัดมากเมื่อเมื่อปีแรกๆอะนะคะแต่พอช่วงปีหลังๆเนี่ยค่ะ พอโกรธขึ้นมามันจะไม่เห็นนะคะมันแค่เห็นแล้วมันก็แวบไปเลยอะค่ะคือมันมันดับไปเร็วมากอะค่ะเหมือนโกรธใช่ค่ะเหมือนแบบจะแทบจะไม่เห็นนะคะคือเวลาหัวล้ออยู่อะค่ะก็พอเห็นการหัวล้อค่ะหัวล้อมันก็ดับลงไปอะค่ะคือเราไปดูทั้งหัวร้อแล้วก็เวลาร้องไห้อะค่ะก็ร้องปุ๊บแล้วน้ําตามันจะไหลมันก็ไม่ไหลอย่างเงี้ยค่ะคือช่วงหลังเนี่ยค่ะมันก็เลยเหมือนประมาณว่าเออดูแล้วแล้วเหมือนประมาณว่าเรา ไม่รู้ว่าตัวเองแบบว่ามาถูกทางหรือเปล่าแล้วก็ไม่รู้ก็ช่างเธอดูมไปค่ะดูไปเรื่อยๆนะหัวภาวนาใช้ได้มันถูกแล้วละค่ะสติเราเร็วขึ้นนะโทรศัก็สั้นลงค่ะตอนนี้จิตปกติไหมปกติค่ะก็ตอนตอนแรกที่เจอลงข้อกระดิ่เต้นขนาดเนี้ย จิตเหมือนตอนอยู่ธรรมดาไหมไม่ค่ะเออจะอย่างนี้ผ่านนะใช่ได้ถ้าเหมือนอย่างนี้ต้องแก้กันนะละ้ล่ะใช่ได้แล้วละ่ะไปฝึกน ะ, ะดูไปขันไม่ใช่ตัวเรารูปนามแต่ละอันไม่ใช่ตัวเราดูไปด้วยค่ะดูอนัตตาไว้เพราะเราเป็นพวกปัญญากล้าดูอนัตตาตัวนิจจังเอาไม่ลงอ่ะค่ะขอบคุณค่ะ นามัสการครับหลวงพ่ออาทิตย์ที่ผ่านมาไปปฏิบัติมาทางอาทิตย์ครับนําปฏิบตับติบูชามาถวายครับเจ อ, อสาธุนะออมีคําถาม2คําถามครับ เ, ออเรื่องแรกก็คื อ, อ, อมันเป็นสภาวะที่พัฒนาขึ้นมาในในรอบ78็ดแปดีครับเป็นเรื่องของการรู้ความรู้สึกครับออปกติผมจะแค่รู้สึกตัวแต่พอไปปฏิบัติแล้วหลวงตาท่านสอนว่าให้ไปรู้ความรู้สึกขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งพอมันรู้เสร็จปุ๊บเนี่ย ทุกอย่างมันก็เลยเบาขึ้นแล้วก็สบายขึ้นแล้วก็รู้สึกตัวว่ารู้ขึ้นมาจริงๆอันนี้ถูกไหมครับถูกแต่เราไม่ได้ฝึกเพื่อจะดูแค่นั้นนะเราฝึกให้เห็นเลยว่าความรู้สึกทั้งหลายมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้จิตใจเราก็บังคับไม่ได้ดูให้เกิดปัญญาไม่ใช่ดูแค่ตัวสภาวะหรอกดูให้เห็นสภาวะทั้งหลายมีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุมันก็ดับบังคับมันไม่ได้ นะดูใหญ่ได้แ้วก้าวหน้าไปอีกก็เลยต่อเนื่องมาถึงอีกคําถามหนึ่งพอดีครับมันเป็นเรื่องของตรายักษ์ครับคื อ, อที่ที่ไปปฏิบัติจะเป็นการยกมือแล้วก็เดินจงกลมอยู่ทั้งวนันแต่ว่าใช้เป็นแค่เครื่องเครื่องรู้จังหวะนะครับ เ, เรื่องของตรายักษ์เนี่ยเมื่อก่อนตอนที่ยังไม่ได้ปฏิบัติเต็มที่อย่างนี้มันมันพอเห็นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นบ้างนิดหน่อยแต่ว่าพอตอนที่ปฏิบัติแบบนี้รู้สึกว่าทุกอย่างมันไวจนกระทั่งมันไม่เห็น จังหวะของไตรักแต่ว่าเรารู้สึกตัวขึ้นมาแล้วค่ะลองทำให้หลวงพ่อดูซิทำจังหวะวางใหม่ลงไปลืมหลวงพ่อซะรู้สึกไหมว่าจิตตรงนี้ผิดปกตินิดนึงครับเห็นไหมไม่เปลี่ยนแปลงจิตเชื่อนไหวด้วยจิตปกตินะถ้าไม่งานจะได้เป็นเพ่งอยู่ถ้เพ่งอยู่เนี่ยมันจะเห็นตัวอื่นสแสดงใจรักนะ แต่จิตมันจะเที่ยงมันจะนิ่งนิ่งอยู่ถ้าเหลือตัวหนึ่งนิ่งอยู่ใช้ไม่ได้นะครับมันเพราะมันนิ่งแต่ว่ามันก็ยังเห็นรอบๆข้างที่มันเคลื่อนไหวอะครับแต่ตัวมันคงที่ใช่ครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เสียได้ธรรมะจริงๆนะมันเห็นขันทั้งห้านะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่เห็นสี่ขันแล้วขันหนึ่งเที่ยงเป็นสุขเป็นอนัตตานะเพราะฉะนั้นอยไปรักษาตัวนี้ไว้ ส่วนใหญ่ของคนที่ปฏิบัติเนี่ยจะติดเพ่งสุดท้ายไปรักษาตัวผู้รู้ไว้เฉยๆแล้วพอมีตัวผู้รู้เด่นดวงอยู่นะจะเห็นทุกอย่างเกิดดับแล้วบอกว่าเดินมิปัสนาอยู่มันเดินวิปัสนาไม่ได้จริงเพราะว่ามันไม่ได้ใช้จิตที่ธรรมดาเนี่ยไปดูจิตตัวนี้เป็นสมาธิชนิดเพ่งไม่ใช่สมาธิชนิดรู้สึกตัวนะต้อปรับตัวนี้นะ ครับเราปรักขึ้นมาอย่างไงครับสังเกตไหมถ้ามันยังเหลือตัวหนึ่งคงที่อยู่นะไม่ถูกหรอกต้องปล่อยอย่าไปบังคับตัวนี้ให้นิ่งถ้าบังคับตัวหนึ่งนิ่งอยู่เราเห็นใจรักณ์ไม่ใช่เห็นจริง <en masse> นึกถึงที่พระพุทธเจ้าสอนปัญญวักขีใช่ไหมพิสูจทั้งหลายรูปเที่ยงหรือไม่เทียเท่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าข้าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระเจ้าข้าสิ่งที่เป็นทุกข์ ควรเห็นว่าเป็นตัวเราไหมไม่ควรพระเจ้าค่ะพิสูจทั้งหลายเวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยงเห็นไหมแะไรเที่ตัดตัวพิสูจทั้งหลายสัญญาสังขารพิสูจทั้งหลายวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะนี่วิญญาณเที่ยงนะถ้าวิญญาณเที่ยงเนื่อตรงนี้แหละที่นับปฏิบัติเกือบทั้งหมดพลาดโดนะยเฉพาพคนที่ไปทำในรูปแบบนะแล้วไม่ได้เรียนจิตสิก ข, ขาให้ดีเวียก็ขยับไปเลยทําไปเลยเนี่ย มันจะไปทําตัวเที่ยงขึ้นมาตัวหนึ่งถ้ายังเหลือตัวเที่ยงอยู่นะมันยังสงวนตัวหนึ่งเป็นตัวเราไว้นะให้รู้ทันเนี่ยตัวนี้ผิดปกติแล้วทาไงจะไม่ไม่ผิดปกติใช้ใจที่ธรรมดารู้ร่างกายที่เคลื่อนไปนะจะเคลื่อนไปทาจังหวะก็ได้แต่ใช้ใจที่ธรรมดาเราทํำไงใช้ใจที่ปกติเลยไม่ปกติแล้วรู้สึกไหม ครับมันเป็นของมันไปเองตรงนี้แหละที่ผิดไปปรับตัวนี้สนะัะรู้สึกไหมจิตตื่นขึ้นมาแล้วนี่แหละคือภาวะแห่งความตื่นที่แท้จริงหละไอต้ตะกี้ไม่ใช่เลยนะเะงั้นที่ขยับนั่นอนะ่ะไม่ใช่นะเราะภาวะจิตมันไม่ถูกสภาวะอย่างนี้ยจิตตื่นจะถูกรู้สึกไหมว่าไม่เหมือนกันรู้ครับเออไปเรียนซะนะขอบคุณครั บ, รบฟังว่าไปเข้าคอร์สมาแล้วฟังแล้วจะเหนื่อยแทนนะ ส่วนมากจะไปทำผิดมานมรสกการค่ะหลวงพ่ อ, อก็จะเรียนถามเรื่องโทสะค่ะเคยเคยมีจุดหนึ่งที่จุดหนึ่งน ะ, ะเอาอีกแล้วรู้สึกไหม <c oughs> รู้สึกไหม <c oughs> ไปรวบมันเข้ามาไม่เอาลืมเรื่องปฏิบัติไปะจะขยับอะไรก็ขยับแต่ว่าไม่ไปรวบจิตเข้ามา ก, ก่อน ขยับด้วยจิตธรรมดายิ้มก่อนยิ้มหวานก่อนเนี่ยใช้ใจอย่างตรงเนี้ยไม่ ร, รู้มันธรรมดาใจอย่างตรงเนี้ยเปลี่ยนแปลงได้ถ้ารวบเข้ามาก่อนเป็นจะใจเที่ยงอา้าวว่ามาโทสะ<า>โทสะดูง่ายไม่ต้องกลัวค่ะก็บางจุดก็คือสมัยมีอยู่บางช่วงอะค่ะคือเอาตรงๆกับคุณแม่เนี่ยดูจนถึงจุดที่ว่ามันหายไปเลยคือจะไม่ตอนนี้จะแบบคือแบบ มันเกิดขึ้นมาแล้วอยู่ๆก็เห็นโทษของความโกรธแล้วก็มันก็หายไปคราวนี้แต่กับเพื่อนร่วมงานนี่ยากกว่าเห็นความโกรธแต่เราควบคุมด้วยศีลบางครั้งดูจิตทันก็โอเคมันก็บางทีดูไม่ทันมันจะรู้สึกกดที่ลิ้นปี่ค่ะอันนี้อันหนึ่งแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือสงสัยว่าวันกลับไปทําฟันแล้วก็ว่าไอ้นี้ฟันมันก็ส่วนหนึ่งความปวดมันส่วนหนึ่งนั่นแหละนั่นแหละแต่แล้วจิตมาไปปุ๊บ ไปไปไปสงบไปเห็นแสงสีไปสบายเล้ก็เลยบอเออสบายดีไม่เจ็บก็เลยไปอยู่ตรงนั้นนะคะอะไรเป็นสมถะค่ะก็เวลาพอมานั่งทำหลังๆนี้ก็แบบมีอยู่ช่วงหนึ่งที่จิตมันจะลงเร็วเป็นสมถะก็เลยเลิกทำก็เออมันไม่ใช่มันไปไม่ถึงเลยเลิกทำพอเลิกทำปุ๊บไปที่ทำงานคือเหมือนมันไม่มีกำลังะคะ่ะสมถะต้องทาสมถะก็ต้องทางทนะไม่เลิกนะของดีไปเลิกทาไมเย่อย่าไปติดมันเท่านั้นเอง นั้นทำสมาธิไปให้ใจมันมีเรี่ยวมีแรงนะแล้วก็ถ้าจิตมันยินดีพอใจในความสุขความสงบรู้ว่ายินดีพอใจแค่นี้ไม่ติดละที่มันติดสมาธิเพราะมันยินดีแล้วไม่รู้ว่ายินดีของหนูไม่ได้มีปัญหานะคะ่ะที่เล่ามาถูกทุกตัวเลยคะ่ะแต่อีกอันนึงคือว่าพอเห็นความสุขเกิดขึ้นก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันก็ไม่แน่แต่ว่ากลัวไปว่าจะไปติดทุกข์อะคะ่ะ คือว่าเอ้ยเดี๋ยวก็ทุกข์อีกก็เริ่มไม่อยากสุขไม่ได้อย่างนั้นเรียกว่าปัญญาร่ำหน้าปัญญาล่ำหน้าจิตจะหลุดออกมาจากการทํากรรมฐานเลยไอ mm hmm. ้นก็ไม่เอาไอ้นี่ก็ไม่เอาหลุดออกมาเลยใช้ไม่ได้นะเออย่าไปดักมันคิดล่วงหน้าว่าเอ้ยนี่เดี๋ยวก็ต้องเป็นอย่างนี้นี่เดี๋ยวเป็นอย่างนี้รู้สึกลงปัจจุบันไปแล้วก็รู้ทันจิตของตัวเองมีความสุขขึ้นมาก็รู้นะไม่ต้องไปคิดว่าเดี๋ยวมันก็หายนะ มีความสุขเกิดขึ้นรู้ว่ามีความสุขจิตพอใจรู้ว่าพอใจจิตกังวลว่าเดี๋ยวมันจะหายรู้ว่ากังวลเนี่ยดูอย่างนี้เลยอย่าไปคิดล่วงหน้าแล้วก็ตัดมันไปหลวงพ่อก็เคยเป็นสมัยหัดภาวนาใหม่ๆนะสภาวะนี้ขึ้นมาไม่เที่ยงดับอันนี้ก็ไม่เที่ยงดับดับดับปุ๊หลุดพลวออกมาอยู่ข้างนอกนี้เลยอ้าวแล้วอยูภาวนาไงไม่มีอะไรให้ภาวนาเลยนะไม่กลายเป็นอย่างนั้นนะปัญญามันล้าไป ก็ดูไปเรื่อยๆเช่นดูสบายๆายายไม่ใช่ดูไปเรื่อยๆดูดูสบายๆนะเรารู้ทันจิตเช่นโกรธขึ้นมารู้ว่าโกรธจิตไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบรู้ทันจิตไม่ใช่รู้แค่โกรธนะรู้เข้ามาให้ถึงจิตเลยจิตไม่ชอบหลงไปคิดแล้วรู้ไหมเอออย่างนี้ใช้ได้ให้มันหลงบ้างอย่ามารู้ตัวตลอดเวลาไม่ได้นะมันไม่ใช่ภูมิมันผิดธรรมชาติ ซีดีรอบนี้ใครฟังน้องเวียนหัวมากเลยเพรหลวงพ่อตรวจกันด้านทีละสองคนเอา้าเพวามกลางนมัด ก, การหลวงพ่อครับครั้งที่แล้วหลวงพ่อให้ไปดูความเป็นกลางครับว่าเป็นกลางได้แล้วกี่เปอร์เซ็นต์บางช่วงมันก็ดูเหมือนว่าจะเป็นกลางบางช่วง ก, ก็ก็ไม่ค่อยเป็นกลางเท่าไหร่ยังรู้อย่างที่เป็นไม่บ่ามันหรอก อย่างบางบางทีครับอ่าตอนที่ทําในรูปแบบครับบางช่วงพาจิตให้ไปดูไปเห็นของจริงครับพอมันไปเห็นแล้วมันก็สะเทือนสะเทือนเสร็จแล้วมันก็มันก็ถอนแล้ววันรุ่งขึ้นก็ลองพาไปดูอีกมันก็สะเทือนอีกหลังๆมันก็ดูอะไรนะคือคือพาคือนั่งนั่งในรูปแบบครับแล้วพอพอเหมือนกับพอมันมีสมาธิครับแล้วก็พาให้มันไปดูร่างกายครับให้มันไปดูของจริงพอมันไปเห็นแล้วมันก็ เศร้าแล้วมันก็ถอนออกมาเลยวันหลังๆมันก็ไม่กล้าเข้าไปดูใช่ต้องดูอีกสิไม่ไม่กล้าดูของจริงนะครับดูไปอีกยกเว้นว่ากลัวมากสติจะแตกนะแล้วค่อยปรับเอาใหม่มันมันไม่ถึงกับกลัวมากครับเพียงแต่ว่ามันเข้าไปดูแล้วมันก็เศร้าสลดเศร้าไปเลยมันสลดใจมันเสียดายว่าไอ้นี่คือตัวเราของเราของดีมาดูไปแล้วมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของดีนะ ใจมันยังยอมรับไม่ได้พามันดูไปอีกอย่าถอยอแล้วยังขาดอะไรหรือว่าต้องเพิ่มอะไรอีกไหมครับต้องกล้าหาญหน่อยกล้าหาญไปดูมันยกเว้น <c oughs> ไม่ไหวจริงทําสมรถะพ <c oughs> อทําสมรถะ <c oughs> พอใจมีเรี่ยวมีแรงแล้วกลับไปดูอีกอม <c oughs> น, นทําสงครามนะไม่ใช่ฆ่าสุดเก่งไว้หนีมันตลอดชาติไม่ได้นะอย่างตอนนี้อย่างเมื่อกี้เนี่ยก็รู้สึกว่าร่างกายมันบีบเค้นมากเลยครับมัน มันทั่วตัวเลยครับก็มีกําลังดูบ้างดูไม่ได้บ้างกันดูไม่ได้รู้ว่าดูไม่ได้นะ<อ>ดูแล้วนะอ๋อครับเช่นมัว่วดูไม่รู้เรื่องรู้ว่ากําลังไม่รู้เรื่องนี่รู้เรื่องแล้วครับอ๋อครับผมบ ค, ครับให้หนุ่มเสื้อแดงผมเขียวเนี่ยทำไมไปนั่งบังคับมันฮะอย่างนี้เหนื่อยตายเลย <c oughs> นะ <c oughs> อา้าวไป มันมันเป็นเองอะครับหลวงพ่อมันชินสิมันไม่มีเป็นเองหรอกรเพราะว่ามันไปฝึกมาปกติสิปีให้หลังนี้ผมพยายามรู้สึกตัวตลอดเลยนะครับเออเวลาไปฝึกบางทีต้องนั่งแก้ไปอีกรอบหนึ่งนะบางทีหลวงพ่อเลยไม่ค่อยนิยมไม่ค่อยแนะนําให้พวกเราไปทําที่โน้นที่นี่นะมันทางใครทางมันแต่ละคนมันมีทางของตัเองเรารู้ทางของตัวเราเองทําแบบนี้สติดี ทำงี้จิตจะสงบทำงี้จิตจะตั้งมั่นทำงี้แยกขันได้ดีแต่ละคนมีทางของตัวเองมันความถนัดไม่เหมือนกันถ้าเราไปเรียนแบบกันใจมันจะผิด ธ, ธ, ธรรมชาติไปรับนมัส ก, การหลวงพ่อคะ่ะอยู่เริ่มต้นภาวนาด้วยการพุดโธคะ่ะพูโทก็พูดโทไปเรื่อยๆแล้วมันก็มันกพ็พอมันสงบ หนูก็เริ่มอามันสงบนิ่งๆหนูก็พยายามมีสติรู้กายรู้ใจอพอรู้กายรู้ใจพอะรู้กายรู้ใจเนี่ยกายดูแล้วไม่ค่อยชอบดูกายก็ดูใจที่มันภาลามันทีแป๊บเดียวใจมันก็เคลื่อนไปอการว่าใจเคลื่อนนี่ออพอสักพักเดียวหนวงพ่อมันมันชอบนิ่งนิ่งแล้วมันก็จะมืดมืดเราบอกอุ้ยเราเรารู้แล้วมันนิ่งมืดเราก็สะบัดหน้ามั่งหายใจแรงๆได้ได้ แล้วมันก็แล้วมจะติดอยู่อย่างนั้นแลมันก็จะแบบพอบางทีพอละน้นก็จะสว่างขึ้นมาแล้วก็จะอยู่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเอ๊ะให้รู้ทันจิตไปนะนั่งไปแล้วสว่างขึ้นมาจิตชอบรู้ว่าชอบนั่งไปแล้วมืดเนี่ยจิตกังวลแล้วจิตไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบไม่สนใจที่มืดหรือสว่างให้รู้ทันความรู้สึกของจิตนะพอมืดมาแล้วใจไม่ชอบแล้วรู้ว่าไม่ชอบรู้เข้าไปตรงนี้เลยนะไม่ต้องไปดูที่มืดที่สว่างหรอกให้รู้ทันจิตไหม บางครั้งพลธรรมอย่างนี้ไปบ า, บางครั้งก็สว่างดีพอใจสบายสว่างดีเอ้งั้นเราลองลองพิจารณาเลยก็ดูเนี่ยตอนนี้จิตกําลังเป็นอย่างนี้ตัวจิตที่รู้นี่ก็เดี๋ยวก็ไปเรื่องนู้นเรื่องนี้ก็แสดงว่าจิตก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็เกิดก็ดับแต่พะธรรมไปสักพักมันมันรู้สึกเหนื่อยมากพอ ก, ก็กลับมาหายใจมาดูหายใจใช่ได้อย่างนั้นแหละมันเดินปัญญาไปพอเหนื่อยก็ทําสมถะถูกแล้ว ก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราใช้เราเห็นหรือเราคิดนะอพอ ท, ที่ติดอยู่ในใจว่าไอ้ที่เรารู้เนี่ยแล้วเราเดินเดินปัญ ญ, ญาได้รู้เลยว่ากําลังสงสัยอยู่รู้ทานจิตเลยว่าจิตกําลังสงสัยคอยรู้ทานจิตไว้เรไม่พลาดหรอกอมัวแล้วจิตไม่ชอบหรือว่าไม่ชอบสงสัยขึ้นมานะไม่ถูกไม่ถูกรู้ว่ากําลังสงสัยเราก็เลยคิดว่าอย่างนี้เราจะเดินปัญญาได้ไหมเนี่ยมันตกลงเราเห็นหรือเราคิดมันเดินอยู่แล้ว มันก็เดินอยู่แล้วนะไม่งั้นขันมันไม่แยกอย่างเนี้ยแล้วขันมันก็แยกก็เป็นปัญญาขั้นต้นแล้วก็เห็นไหมความรู้สึกทั้งหลายเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนั่นแหละเดินปัญญาหละถ้าเดินไปช่วงหนึ่งมันเหนื่อยก็กลับมาทําสมถะเขาถูกแล้วเดี๋ยวมันก็ไปที่จิตเดี๋ยวมันก็ไปที่เวทนานั่นหลวงพ่อมันดิมันสลับไปสลับมาอถ้าสลับมากก็รู้ว่าจิตกําลังฟุ้งซ่านอยู่นะรู้ทันจิตไหมไม่ผิดหรอก อกต่อไปกลับนมัส ก, การหลวงพ่อเจ้าค่ะอะโยมขอเข้ามาพระพูดพระธรรมพระส่งและหลวงพออ่อด้วยเจ้าค่ะเออรับทราบนะเจ้าค่ะคือครั้งก่อนหลายปีแล้วค่ะโยมเคยมาส่งกันบ้านนะฮะที่จิตเขาชอบมีคําไม่สุภาพนะเจ้าค่ะเวลาฟังซีดีโดยเฉพาะกับฟังธรรมะเนี่ยค่ะจะผุดขึ้นมาเองไม่เป็นไรเจ้าค่ะ เราไม่เกี่ยวนะจิตมันทำเองเราไม่ได้เจตนาถ้าจิตมันทำเองเราไม่มีเจตนาเนี่ยเป็นกรรมเล็กน้อยเรียกกระตากกรรมกรรมเล็กน้อยนะเรามีสติรู้ทันไปเรื่อยๆเราได้บุญใหญ่นี่เป็นกรรมใหญ่กว่าไม่ต้องกลัวเจ้าค่ะโยมก็สังเกต จ, จิตว่าบางครั้งถ้าจิตเขาเหมือนทุรนทุลายไม่ไหวโยมก็จะหยุดฟังสักพักหนึ่ง แล้วยอมก็กลับมาฟังใหม่มค่ะแล้วก็โยมก็มีความรู้สึกว่าจิต บ, บางครั้งเขาก็รับได้บางครั้งเขาก็เห็นเริ่มผุดขึ้นมาแล้วเขาก็หายไป อ, อะไรเางนี้เจ้าค่ะอย่างนั้นแหละฟังเป็นแล้ละ่ะที่มาฟังซีดีหลวงพ่อนะไม่ใช่ฟังไปเรื่อยๆนะฟังเราก็เห็นสภาวะไปอย่านั้นแหละถูกต้องแล้วอย่างไร้นั้นเราถึงจะพัฒนาน ะ, ะไม่ใช่ฟังให้เกิดความรู้ความรู้ไม่ได้เกิดจากการฟัง ฟังเพื่อจะได้มารู้เท่าทันสภาวะของเราเห็นใจรักขึ้นมาและมันแสดงใจรักให้ดูแล้วนั่นแหละเรียกว่าเราฟังถูกแล้วเจ้าค่ะแต่ว่าเกิดบ่อยเลเกินเจ้าค่ะไม่เป็นไรเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราเจ้าค่ะเห็นไหมจิตมันฟุ้งซ่านได้ดูออกไหมดีดีกว่าอยู่เฉยๆโยมเดินจงกรมก็มีเพ่งบ้าง น, นะเจ้าค่ะไม่เป็นไรเพ่งก็รู้ว่าเพ่งนะแต่ถ้าเพ่งจงอนอ่นอัแล้วก็ ทำใจให้สบายให้ผ่อนคลายสบ้างนะค่ะตอนก่อนนี้จิตโยมโยมคิดว่าจิตโยมนิ่งนะเจ้าค่ะแต่ว่าเมื่อสักสองอาทิตย์ที่แล้วนะคะ อ, อ, อยู่ดีๆโยมดูทีวีอยู่โยมเห็นว่าจิตมันใสขึ้นมาตรงกลามออกนะาคมันดูเป็นแล้วอย่างนี้เนื้อที่หลวงพ่อสอนแทบเป็นแทบตายแล้วเพื่อให้เรารู้ทันนี่แหละอย่างนี้ภาวนาใช้ได้แล้ว คือตอนก่อนนี้โยมจะมีความรู้สึกว่าโยมทุกตลอดนะคะแต่หลังจากที่สองอาทิตย์ที่แล้วที่โยมไปเห็นใสๆตรงนั้นนะคะมีความรู้สึกว่าจิตของโยมเปลี่ยนขึ้นมาอีกนะคะถูกจิตเราเปลี่ยนไปละถูกดีไปทําอีกไปแล้วดูตรงไหนคะไตรักเ<า>จ้าค่ะดูไตรักตรงไหนเจ้าคะไม่เห็นเลยว่ามันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเห็นเจ้าค่ะไม่เห็นเลยว่ามันสะเทือนได้เอง มันทําได้เองก็เห็นอนัตตาเเห็นมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็เรียกเห็นอนิจจังของโยมถนัดดูจิตแล้วก็ดูอนิจจังอนัตตาถ้าดูกายก็ดูทุกขังอนัตตาจะได้ดูง่ายอย่างนี้เราเห็นเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานี่ไม่เที่ยงนแล้วมันเปลี่ยนได้เองเกิดได้เองดับได้เองไม่ใช่ตัวเราเนี่ยอนัตตามันเห็นอยู่แล้วเจ้าค่ะ <c oughs> นมัส ก, การค่ะหลวงพ่อว่อไงออโยมีปัญหาจะถามหลวงพ่อข้อเดียวค่ะเป็นข้อแรกที่หลวงพ่อเทศช่วงแรกเลยค่ะก็เลยหมดปัญหาที่จะถามสาธุดีจังไปพ่อนาต่อนะ สังเกตดูร่างกายกับใจก็โคล้านกันดูออกแล้วยังค่ะนะดูได้ก็ดูอย่างนั้นแหละเห็นกายมันก็ทํางานไปใจมันก็ทํางานไปแต่นะบางครั้งมันก็ยังงงงอยู่หงงรู้ว่างงเนี่ยงงก็เป็นความรู้สึกเกิดขึ้นกับจิตรู้ว่าตอนนี้กําลังงงหลงแล้วหลงก็ไม่ว่าดีกว่าไม่ไม่หลงรู้สึกตัวตลอดเวลาเนี่ยต้องแก้เลย ห ล, ลวงเรารู้หลวงล้ารู้ดีที่สุดเลยนมาส ก, การค่ะอดีดีดอา้าวต่อไปกลับหลวงพ่อครับอตอนนี้มันมันอยุยดีมันชอบเข้าผวังเองนะครับมันมันยู่ดีมันก็วูบทีนี้ก็เลยมันมันพอไปถึงช่วงหนึ่งมันก็จะลงลงผวังลงผวังวปเป็นเรื่องของสมาธินะถ้า ลงไปแล้วเรอย่าไม่ขาดสติรู้ตัวตลอดสายเลยครับอย่างนั้นดีมากเลยได้พักผ่อนนะจะเข้าจะออกอะไรมีสมาธิแต่ถ้าลงไปวางไปแล้วก็หมดสติไปเลยไม่ดีปปเออวุบแต่ว่ามันห้ามไม่ได้ถ้าวุบไปก็ให้มันวุบไปให้มันนอนไปให้มันได้พักผ่อนพอมันรู้สึกตัวขึ้นมานะก็ดูร่างกายเห็นร่างกายหายใจเห็นร่างกายนั่งไปเลยครับ <นะ S 1> แล้วก็มันจะเห็นไใ้อีกตัวนึงก็จะมีความหมงุดหงิด เกิดเกิดเยอะมากเห็นอะไรนะมีความหงุดหงิดนะฮะเออมันมันจะเออดีนั่นแหละมันเกิดได้เองนะเห็นไหมมันหงุดหงิดเองเราไม่ได้เจตนาครับนั่นแหละดีเราจิตมันจะไปคว้าลมหงุดหงิดมาเอมากอดไว้เออรู้ว่าคว้าอย่างนี้ใช้ได้ครับภาวนาใช้ได้นะภาวนาดีครับสาธุครับเรากันบ้านขอกันบ้านเพิ่มขอกันบ้านเพิ่มเลยครับไปทําอีกนะ โอกาสนมรดการหลวงพ่อครับเออข้ผมฟังเทปหลวงพ่อมาหลายปีแล้วครับแล้วก็ปฏิบัติ ด, ด้วยก็มีคำถามเกิดขึ้นมาตลอดเป็นหลายร้อยคำถามนะครับแต่พอตอนนี้มันนึกไม่ออกอะไรเลยนั่นแหละ <c oughs> คำถามทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับไปครับนึกนึกไม่ออกแล้วยอมดูรู้สึกไหมว่าทุกอย่างที่มันผ่านเข้ามานะมันอยู่ชั่วคราว แล้วมันก็ไปหมดอะไปหมดครับนั่นแหละคือธรรมะล่ะนะนึกตอนนี้ก็นึกไม่ออกไม่ออกก็ดีเหลืออยู่คำถามเดียวครับ อ, อหลวงพ่อครับเหลืออยู่คำถามคือว่าลืมไปแล้วครับลืมแล้วก็แล้วไปเออคือคือผมผมชอบดูจิตนะฮะดูความรู้สึกนึกคิดตัวที่เด่นคือความโกรธความโกรธนะฮะทีนี้ความโกรธผมเคยดูดูอยู่เรื่อยลว แล้วก็หัดยิ้มให้ความโปวด เ, เรายิ้มทีไรมันก็หายทุกทีหายทุกทีหลังจากนั้นมาผมผมก็ไม่ขี้เกียจยิ้มให้มันละผมก็มันเกิดขึ้นผมก็เฉยเฉยมันก็หายของมันไปเองใช่มันเกิดได้มันก็ดับได้นะทีนี้ผมจะถามหลวงพ่อว่าการที่เราไปยิ้มหรือเราไปเมตตาให้กับความโปวดอย่างนี้เราไปแทรกแซงมันหรือเปล่าแทรกแซงนะเป็นการเจริญเมตตานะเป็นการเปลี่ยนอารมณ์ ก็ได้สมถะได้ความสงบในความสุขถ้าว่าเวลามันโกรธรุนแรงสู้ไม่ไหวแล้วเนี่ยก็เมตตาใส่มันอย่างนั้นถูกแต่ถ้ามันโกรธนิดๆหน่อ ย, อยๆก็พาพามันดูดูมันดูมันโกรธไหอเคยเคยเมตตาใส่เวลาโกรธแรงเมตตาไม่ไหวครับก็เฉยเฉยแล้วจะดีกว่าอยากให้ผิดศีลอยู่แกัน ภาวนาใช้ได้นะคุณอนะรู้สึกไหมใจเราเปลี่ยนไปเยอะแล้วรู้สึกครับนะเราเหมือนเรามีชีวิตใหม่ชีวิตนี้มาจากที่เราขยันภาวนาดูนะกายนี้ก็ส่วนนึ่งใจนี้ก็ส่วนหนึ่งทุกอย่างแปรปรวนไปเรื่อยๆไม่มีตัวเราที่แท้จริงนะหัดดูไปเรื่อยๆในวันหนึ่งมันจะค่อยล้างไปล้างความรู้สึกมีตัวมีตนตอนนี้ไม่อยังมีอยู่นะหัดดูไปเรื่อย อ่ะต่อไปขอบคุณครับการนมัสการครับหลวงพ่อครับคือ <c oughs> ก็ปฏิบัติมาหลายปีนะครับแต่ว่าเพิ่งเ <c oughs> พิ่งตื่นมาประมาณสองปีครับที่ที่ฝั่งหลวงพ่อครับก็คือแต่ก่อนก็ไม่ได้ฉูกใจเลยครับจนจนจ น, จ น, จ, น, จ, นจนมีความโกรธเกิดขึ้นรู้สึกว่านั่นแหละนเอ๊ะทาไมเราปฏิบัติแล้วเราโกรธเรายิ่งโกรธมากขึ้นมากขึ้นเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราปฏิบัติผิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยเลย เลยพอมาฟังเทพหลวงพ่อเลยรู้ว่าอ๋ออันนี้มันมันมันมิฉามันมิฉาครับมันมันปฏิบัติผิดก็เลยหลังจากนั้นมาก็เหมือนกับว่าตอนแรกๆก็จะสละความสุขตรงนั้นก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราปฏิบัติตรงนั้นเราได้ความสุขที่แบบในสมาธิอะไรเงี้ยฮะเราก็ต้องเลิกเลิกตรงนั้นไปเราคิดว่าเราคิดว่าตรงนั้นมันเหมือนกับว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรฮะมันไม่ได้มันไม่ได้ใช้เราเราไม่ได้เลิกสมาธินะ แต่ว่าถ้าเราไปอยู่ตรงนั้นแล้วจิตเราชอบจิตเราติดเนี่ยรู้ว่าติดรู้ว่าชอบมันจะไม่ติดนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราต้องการพักผ่อนเราก็ทำได้แต่อยู่กับมันโดยไม่ติดมันอ่ะครับนะปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตัวสมาธินะปัญหาอยู่ที่เราไม่รู้ทันโลภะที่เกิดขึ้นแล้วเราไปติดมันครับงั้นถ้าเรารู้ทันเราไม่ติดเนี่ยทำสมาธิได้ไม่ใช่ทำไม่ได้ควรจะทำไหมควรจะทาครับก็คือ ก็คือก็ก็หลังๆมาก็รู้จักวิธีการแก้ปัญหารล่วงไอ้สิ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นความโลดความกดความหลงก็ไม่ต้องทำอะไรครับแค่ดูมันอย่างเดียวแต่มันก็ไปครับ ก, ก็รู้แค่เนี้ครับดูนะแล้วก็ถ้ามันฟุง้งซ่านที่มาทําความสงบนะทําสมถะบ้างสมถาถะเป็นของดีนะเคยทําก็ไม่ควรทิ้งหรอกแต่ที่ผ่านมานั้นทําผิดไปบังคับจิตให้สง บ, บแล้วมันไปติดอยู่ในความสุขความสงบพอหลุดออกจากตรงนั้นจะขี้โมโ ห, หมากกว่าคนปกติครับ มันจะเป็นรู้สึกโมโหมากครับใช่โมโหมแล้วก็ฟังซีดี2อาทิตย์ที่ผ่านมาครับก็คือเหมือนกับว่าผมชอบไปเอาใจดูกายครับแต่ว่าเหมือนใจอยู่ข้างนอกแล้วมาดูกายครับก็คือหลังจากฟังซีดีของพ่อสองอาทิตย์ที่ผ่านมาเห็นหลวงพ่อ บ, บอกว่าคือใจมันไปอยู่ข้างนอกก็เลยหายใจเข้าแล้วเหมือนกับว่าใจมันอยู่ข้างในใจมันก็มีความสุขมากขึ้นครับครับอย่างนั้นนหะก็ไปอยู่ข้างนอกไม่ได้ประโยชน์อะไรครับรู้สึกว่ามันมันเหนื่อยแล้วมันก็ไม่ พอใจมันอยู่ข้างในรู้สึกว่าใจมันรู้สึกมีความสุขมากขึ้นนะครับอมครับส่วนใหญ่นะที่ใจไปอยู่ข้างนอกนะมันมีความสุขนะพอเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่เป็นทุกข์สิแต่ของคุณทําได้อย่างนี้ดีมากเลยครับแต่อยู่ในในี้ด้วยมีความสุขอยู่ในี้ด้วยครับก็คือใจมันอยู่ข้างในแล้วรู้สึกมันมีความสุขมากขึ้นรู้สึกว่าที่หลวงพ่อเคยบอกว่ามันสว่างกลางทั้งกลางวันกลางคืนเลยรู้สึกว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่ครับแต่อย่าให้ติดมันนะ ครับก็ไม่ติดครับก็พยายามพยายามประคองอย่ยาไปรักษาเอาไว้ภายในครับจะออกนอกเรารู้เช่นนั้นพอละดีกว่ากลัวออกนอกเรารักษาเอาไว้ข้างในครับนะถ้ารักษาไว้ก็จะผิดเหมือนคนเนี้ยก็เนี่ยเห็นใจรักแล้วไม่ได้นะ เงินเสียไปชาติหนึ่งเลยอ้าค น, นต่อไปขอบคุณ <นะ S 1> ดีนะใช้ได้นวัสการมขอหลวงพ่ออสองอาทิตย์ที่ผ่านมานะะ <c oughs> แล้วค่ะเราเห็นโทสะไหมเห็นค่ะเพราะอาทิตย์ที่แล้วอะค่ะมันแรงมากจนหนูท้อเลยะค่ะเพราะว่าไปดุลูกท้อท้อก็เป็นโทสะอีกตัวหนึ่ง <c oughs> ค่ะมันมันมันท้อเพราะว่า ม, มันเห็นว่ามันมันแรงมากบอกแฟนว่ามันแรงมากแรงจนตอนคืนคือดุลูกสาวนะคะ เราแบบโอ้โห ม, มันท้อแท้หมดเลยค่ะตอนเช้าคือมันท้อตรงที่ว่าเราก็เราก็ทําอยู่หน้าแต่มันก็ทําไมมันถึงขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาสอนธรรมะเรานะว่าเธอบังคับฉันไม่ได้หรอกใช่ค่ะพอตอนเช้าหนูก็ปล่อยนะคะหนูก็แต่กระันหนูก็ยังเดินเดินจงกรมแต่เดินแบบไม่ไม่มีความเพ่งนะคะวันนั้นจะไม่เพ่งเลยอืแต่มาเป็นวันพระด้วยนะคะก็เลยไม่รู้ว่าเพราะ <laughs> ว่าค่ะแล้วก็ภานาภานาดีขึ้นนะค่ะดีขึ้น ก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นนะเพราะล่าสุดที่หลวงพ่อบอกว่าหนูเพง่งแต่หนูก็ยังคิว้วหนูคงเพ่งมาต่างชาติฟังไหนก็ไม่รู้อะค่ะเพราะว่ารู้สึกชาตินี้จะไม่ค่อยสมาธิอะไรเท่าไหร่แล้วคิดว่าบางทีตัวเองชอบแบบเห็นตัวเองเห็นเห็นร่างกายมันเจ็บรู้สึกมันมีความสุขอะ่ะมันมันเอามาหิดงี้ก็ไม่รู้แล้วค่ะหลวงพ่อก็เลยคิดว่าคงคงบัค ง, คงคับมันมาเยอะเอ้ยเนี้ยค่ะหลวงพ่อหนูก็ได้คําตอบเมื่อกี้อย่างน้อ ง, นองคนเนี้ยค่ะ หนูก็คงเป็นเหมือนกันนะคะเพราะเวลานั่งสมาธิแล้วมันจะมีตัวนิ่งอยู่ตัวหนึ่น ง, งนั่นแหละแล้วหนูก็ที่หลวงพ่อว่าติดสมถาติดสมถะเขาติดแค่นั้นแหละใช่คือตัวนี้คงที่อยู่ใช่แล้วก็อุตส่าห์บอกว่าเอาไม่เพ่งไม่เพ่งสบายๆมันก็ยังเพ่งอยู่มันเคยชินใช่ค่ะพเพราะแล้วต้องหายใจหนูก็เลยคิด่หนูต้องหายใจแรงๆหน่อยใช่ไหมคะมหายใจเรื่อยๆอพอมันจะเริ่ ม, มลงปุ๊บมาหายใจขึ้นมาแล้อีกอย่างแต่ถ้าต้องการให้มันพักนะก็ปล่อยให้มันลงไปพักเลย แต่ไม่ขาดสตินะถ้ามันผ้าปล่อยมันคือมันก็มันโกงจะขาดเลยค่ะเพราะมั น, จ ะ, มน จ, ะจะไม่รู้วอะไรถ้างั้นเราก็ฝึกแห่สติตเราเข้มแข็งก่อน อ, อแล้ว<ร>ต่อไปอไมันลงนี่ก็ลงนี่ลงจะขึ้นจะลงนะ <c oughs> เวลาลงง่ายนะเวลาขึ้นก็ค่อยๆขึ้นมาขึ้นปวดเดียวปวดหัวนะใช่ค่ะพอวันนั้นที่หนูส่งกันบ้านหลวงพ่อเมื่อสออาทิตย์ที่แล้วพอกลับมานหนูก็นั่งสมาธิคืนนั้นเลยะคะ่ะหนูเห็นว่า มันมีจิตหนึ่งที่มันตื่นแต่มันมีจิตหนึ่งที่รู้ว่ามันค่อยๆถอยมันออกมาออืแต่แต่มันแค่ครั้งเดียวแค่นั้นนะคะเอนอื่นก็ไม่ไดเป็นไรอย่าอยากเห็นอ๋อหลวงพ่อคะแล้วมีอีกอย่างหนึ่งค่ะก็คือว่าเออยากให้หลวงพ่อเมตตาชี้แนะหนูว่าจริงๆหนูชอบมันมีสองอย่างนะคะคือจริงๆหลวงพ่อบอกว่ามันอะไรที่มันลุงรังอ่ะค่ะคือหนูเป็นคนโศะแรงไม่ชอบอะไรที่เป็นพิธีไม่ชอบอะไรที่มันลุงรังก็จริงแต่ทําไมชอบฟังอะไรที่มันยากๆอ่ะชอบฟัง มันเป็นนิสัยนะพวกโทสะกล้าเนี่ยมักจะปัญญากล้าอยากเรียนรู้อะไรซับซ้อนบางคนนะะบางคนได้ยินอะไรยุ่งนิดหน่อยโทสะระเบิดเลยแต่หนูกับพวกนั้นจะเป็นพวกติดราคาได้อะไรสับสนซับซ้อนนิดหนึ่งลำคาล่ะแต่หนูกับชอบค่ะหลวงพ่อพอฟังยากๆแล้วชอบเนี่ยหลวงพ่อภาวนายากภาวนาดูสภาวะเห็นสภาวะสักอย่างหนึ่งนะจะเห็นมันเกิดดับก็ได้นะไม่ยอมหรอก ทวนอยู่นั่นแหละมันคืออะไรใช่มันทําหน้าที่อะไรถ้ามันทํางานแล้วมันมีผลยังไงมันเกิดมาได้ยังไงใช่ค่ะพอลงถึงมันเกิดได้ยังไงนะจิตถึงจะยอมวางใช่ค่ะหนูก็เลยว่าหนูก็เลยจะหนูก็คิดใหม่แล้วค่ะเวลาหนูเดินจงกรมถ้าหนูถ้ากิจมันไปอยากคือถ้าไม่เห็นสภาวะถ้ามันไม่ดูไม่ไม่พิจารณาก็ปล่อยมันแต่ถ้ามันจะพิจารณาให้มันลึกลงไปก็ปล่อยมันใช่ไหมคะได้ใช่ไหมคะได้แต่อย่าเมามัน แต่อย่าหลงมัอย่าให้เมามันกับการพิจารณาอ๋อค่ะแล้วอีกอย่างที่จะเล่าสุดท้ายค่ะหลวงพ่อคะเมื่อวันสองวันนี่หนูรู้สึกว่าแต่ก่อนที่หนูบอกหลวงพ่อว่าพอเห็นแค่เห็นชื่อได้ยินชื่อแม่สามีของตัวเองก็รู้สึกยิ้ดขึ้นมาทันทีเลยค่ะแต่คราวนี้รู้สึกว่าเขาจะเมตตามากขึ้นต่อขณะว่าเขาบทเราเรายังไม่ไม่ค่อยโกรธมันเป็นเพราะว่าสมาธิมันข่มไว้ไหมคะตอนนี้จิตมันพัฒนาขึ้นนะปัญญามันก็ดีขึ้น มันไม่ใช่ข่มด้วยสมาธิจิตมันสูงขึ้นค่ะก็ทำไปเรื่อยๆนะคะหลวงพ่อต่อไปจะรักแม่สามีเลยถ้าไม่ได้เธอฉันไม่พัฒนาเท่านี้หรอกธมศาสตร์ารเจ้าค่ะโรคนี้เป็นโรคทั่วๆไปนะที่ได้ยินชื่อแม่สามีแลบฟรีสเนี่ยมีคนเป็นเยอะ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 กล่าวคำออขอเข้ามาด้วยนะครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวเดือนหน้าจะเป็นช่วงเข้าพรรษาแล้วก็หลวงพ่อไม่ได้มาแสดงธรรมที่ศาลานะครับทุกท่านน้อมใจตามเช่นกันนะครับหาพวกข้าพุทธเจ้าได้เคยประมาทพลาดพลั้งร่วงเกินต่อพระรัตนไตรอันมีพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปฏเจกาพพุทธเจ้าพระธรรมพระโพธิสัตว์พระสงฆ์สาวก เทพรมเทวดาพร้อแม่ครูอาจารย์ท่านผู้มีพระคุณและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายตลอดจนบิดามารดาจากทุกชาติภพไม่ว่าจะกระทำด้วยกายวาจาหรือใจจะด้วยเจตนาหรือไม่เจตนาหรือรู้เท่าไม่ถึงการขอท่านทั้งหลายโปรดเมตตาอดโทษล่วงเกินเหล่านั้นแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายอย่าได้เป็นวิบากกรรมอย่าได้ปิดกั้นมรรคผลเพื่อความสารวมระวัง และเพื่อความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมของข้าพเจ้าทั้งหลายในการต่อไปเอวังโฮตุเอวังโหตุโยจะปุเพปมัชชิตวาปัชชาโซนัปมัชติโซมังโลกังปภาเสติอัภามุตโตวจันติมายัสสะปาปังกตังกัมมังกูสเลนะปิยติโซมังโลกังะพะภาเซติอภามุตโตวจจันติมา อภิวาทนาสีลิสนิตจังบุตถาปจายโนจ ต, ตารโรธรมาวันตีอายุวันโนสุขขังพระังอีกสองเดือนเจอกันนะแล้วต้องภาวนาดีกว่านี้นะ